จเจรินพรท่านสาวธุชนพุทธบาลสัตผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาทำถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานสีงภาวนาท่านที่มีความสนใจอยากอะเข้ามาร่วมก็เชิญเข้ามาได้เราก็จะไปกับเด็กๆกันอันดับแรกทินโตเกียว น้องนักคุณคุณแม่กล่าวพระอาจารย์กล่าบค่ะพระอาจารย์นักคุณลูกเอลเกี่ยวไว้ตรงเชื่ออ่ะพระอาจารย์คะทำไมพระอาจารย์หนึ่งยูทุกอย่างครับไม่รู้ทุกอย่า ง, างนักคุณหลงตาก็ไม่รู้นักคุณเป็นเด็กดีแล้วไม่ดีหลวงตาก็ไม่รู้ดีป่าวแต่หนูพระอาจารย์ถามว่าหนูเป็นเด็กดีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยเล่นครับเด็กดี ฉันบินเด็กดีครับไม่สนใช่ไหมสนได้เปล่าไม่สนอินหักหกไม่ได้นะมน<อ>ีอะไรอีกไหมถามหแค่นี้แค่นี้หลครับอากาบปอาจารย์จีเปล่ค่ะเรล่ค่ะลาสั่ เด็กดีครับเนี่ยเด็กดีกัดสวยอ่าอย่าซนนะต้องเรียบร้อยนะครับอาจารย์บอกว่าไอย่าสนนะครับโอเคไหมครับโอเคโอเคครับค่ะอาจารย์คะมีค่ะีวลาแม่เวลาแม่ไปทํางานใครใครดูละใครดูน้องอะ่ะแล้วไป<ม>ไปเตรียมอนุบาลคะ่ะครัาอาจารย์เอาไปทิ้งไว้ที่นั่นตอนเลิกงานแล้วแม่ไปรับกลับบ้านเนี่ย ค่ะก็จะมีรถมาส่งค่ะแต่ช่วงนี้เขาไม่ไม่ไม่กลับบ้านทำไมก็อยู่บ้านคนเดียวได้อ๋อไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ก็จะต้องมาให้ตรงเวลาเขาทุกวันนะคะก็เลยทำงานเป็นชอตไทมค่ะของที่ออฟฟิศเขาอนุญาตให้ทําเวละสี่ห้าชั่วโมงได้ค่ะทำพาร์ทไทม์เเป็นฟูลไทม์แต่ว่าเขาลดระยะเวลาทำงานให้ค่ะอืมค่ะก็เห็นใจนะ ค่ะเขาเห็นใจแบบแบบเกรงใจเลยค่ะพระอาจารย์เขาทราบสถานะด้วยแล้วเขาก็เลยบอกว่าวันไหนอยากอยู่บ้านก็บอกมาได้เลยจะอยู่วันไหนแล้วก็จะเข้าออฟฟิศวันไหนจะทำกี่ชั่วโมงบางวันไปแค่สามชั่วโมงค่ะพระอาจารย์ก็ดีค่ะก็ค่ะดีใจมากค่ะพระอาจารย์คะมีคำถามค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติเอ่อ การที่เรานั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์ปกติมันก็จะมีที่ประจำมานะคะหน้าพระทีนี้อถ้าเรานั่งที่ตรงนั้นทุกวันการหันมุมหันองศาเป็นที่ประจําพอไปนั่งมุมอื่นของห้องอ่ะมันมันรู้สึกว่าไม่สบายอันนี้เราถือว่าเป็นกิเลสหรือเปล่าคะก็เป็นความยึดมัน่นถือมันครับจริงความจริงมันไม่เกี่ยวกันนะเราเคยเราเคยชินอะไรเรามักจะ ย, ยึดติดกับมัน เคยนั่งกินข้าวตรงไหนมันก็มักอยากจะไปนั่งตรงนั้นไปขึ้นรถเมล์แล้วไปนั่งตรงไหนก็มักอยากจะไปนั่งตรงนั้นมันติดเป็นนิสัยไปอย่างนี้เราควรจะทำใจแบบว่ายังไงก็ได้ตามเมตตามเกิดอย่าไปยึดเกี่ังมันไม่เกี่ยวเกี่ยวที่สติเวรีนาสมาธิมันเกี่ยวเรื่องของสติอย่างเดียวแะ่กิเลสหรืออุปทานมันก็มักเจะทำ ามันเกิดลูกความรู้สึกแปลกๆตรงนะี้ไม่ดีกลัวเดี๋ยวนั่งเราจะไม่ได้ผลเนื่ยขึ้นมาเพราะจะนั่งที่ใช่ค่ะพระอาจารย์นนะอีเลน ะ, ะไม่รมันอยู่มันอยู่ที่มันอยู่ที่สติของเราจะสงบไม่สงบ ค่ะ้วดเคยเคยแบบปกติจะนั่งหันหลังให้ให้ให้ที่พานะคะแล้วรู้สึกว่าเออมันนั่งได้นะตค่ะโอเคอ่น้คุณจะจะบอกว่าหยุดด้วยเราจะตั้งตรงตรงนี้น้อคุณจะไม่หยุดใช่ไหมคะตั้งตั้งไว้ตรงนี้ตั้งของพ่อจารตรงนี้โอเคได้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยพอพลองหันหน้าอีกด้านหนึ่งเอ๊รู้สึกมัน มันไม่ชินก็เลยคิดว่าเราจะต้องมันแปลกๆมันใช่ค่ะไม่มีอะไรหรอกมันเป็นนิสัยเราชอบยึดติดกับอะไรแล้วมันพอมันเป็นของใหม่ขึ้นมามันก็ต้องปรับมันค่ะไม่ไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิดใช่ไหมคะหรือว่าเราควรจะลงไม่ผิดเรานั่งควจะนั่งในทุกแขงทุกคนทุกที่อ๋อพระอาจารย์จะจะลองปฏิบัติดูค่ะ ได้บจะได้จะ <ทำ S 2> ไ ด, ทได้ทำได้ในทุ ก, กิริยาบทดันยืนนั่งนอนค่ะโอเคมาง่ายนิดนะค่ ะ, ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อลองลองทําดูลองปลี่ยนลองทานั่งตรงไหนก็ได้ดูค่ะดี๋ยวจะลองค่ะเพราะเคย ร, รู้สึกว่าเวลาหันหน้าไปมุมอื่นเฮ้มันมันหวิวหวิวหลังเลยมั น, นมันรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยอ่ะค่ะอืม เป็นอุปทานเป็นอุปทานของเราเองอือค่ะพระอาจารย์จะลองค่ะแล้วก็พยายามจะจําจําอารมณ์เราเราควรจะต้องจําอารมณ์ในในตอนที่เรานั่งปจัจจุบันควรต้องมีสติควรมีสติอยู่เรือ่องต้นแบบอดีตผ่านไปแล้วไม่ต้องไปสนใจให้ ม, มีสติอยู่ในปัจจุบันให้มีสติกุมอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้พุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้ อดีตผ่านไปแล้วอย่าเอามาใช้การภาวนามันจะทำให้มันไม่เลยผล oh. อานาคตก็อย่าไปอย่าไปส่งไปถึงมันต้องอยู่ในปัจจุบันจิตค่ะอ๋ออย่างนี้หนูหนูก็ภาวนามาค่อนข้างผิดเลยค่ะคือพยายามจำอารมณ์ที่ uh. เวลาเราเข้าไปแล้วแล้ ว, ลวเราเราไปได้ความนิ่งความสงบเราก็จำอารมณ์นั้นว่าอ๋ยเราเข้าไปอย่างนี้นะพยายามนึก มันก็จะไม่ไ ม, ไมีไม่มีไม่ว่างใช่ไหมคะมันก็เลยเข้าไม่ค่อยได้โดยถ้ามันทบทวนดูว่าวิธีเข้าคาทีิล่ามันเป็นยังไงแล้วเรามาทําใหม่ก็ได้แต่ย่าไม่นึกถึงแต่ยังไม่นึกถึงตอนตอนนั้นอดีตมันผ่านไปแล้วอ๋อค oh, <okay. S 2> ่ะรู้วิธีได้รู้ว่เอาคาทีิล่าเรานั่งเพราะเราอยู่กับลมไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็สงบแล้วก็ทําอย่างนั้นเราก็ต้องทําอย่างนี้ใหม่ mm. ไม่ใช่มันนึกถึงอารมณ์แล้วมันจะทําให้สงบตามไม่สงบตาม ค่ะพระอาจารย์นึกถึงวิธีการค่ะอวิธีการการกระทําทําอย่างไรการเขาจะทําทํ า, าทอย่างนี้ดีครั้นี้ก็เราทําอย่างนี้ต่อค่ะพระอาจารย์จะน้อมรับไปปฏิบัติค่ะพระอาจารย์อีจ้ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบจะขอบข้าวไปที่เดี๋ยวจะมาคุยจ้ะวันนี้จะวันจะมาดูเจ้าที่ เดีนี่ตะวันไม่เห็นนะอยู่ข้างหลังน้าหลานกาพระอาจารย์ครับอ่ามียะช่องการบ้านเช่นเคยใช่ไหมใช่ค่ะครับอ่าว่ามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมวงความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมทนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมทความตายไปไม่ได้ เราจะเรียัการต่างๆคือว่าเราจะต้องรับพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสดไป แล้วทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอเชื่อไหเชื่อกดแห่งกรรมไหมเชื่อครับผลของกดแห่งกรรมเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมร่างกาบไม่ใช่เกิดที่อินวิสิเบลนนะครับอินวิเนเป็นคนทำแล้วอินวิสิเบลนก็ต้องเป็นคนรับผลเธอไม่สบายใจ โกหกแม่แล้วสบายใจไม่สบายใจไม่สบายใจครับอ่านั่งกายก็ยังเหมือนเดิมนั่งกายยังสบายอยู่ใช่ไ้มครับไม่ได้เกิที่ร่างกายนะร่างกายไม่ได้เป็นคนทําคนที่ทำบุญทําบาปก็คือใจอแล้วใจก็เป็นผู้รับผลทันทีเลยทำบุญแล้วมีความรู้สึกดีไหมว่าันกายไปเลี้ยงเด็กที่โรงเรียนมีความสุขไหม มี ค, ค, คราึสุา ค, ค, ค, ค, ครับออการศึกษาการการศกามวยการศึกษาใช่การศึกษาครับอืมอืมนี่แหละคือกอ่ฏแห่งกรรมอยู่ครับอยู่กับเรื่องขงใจไม่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายร่างกายอาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่ไม่ใช่เป็นผลหลัครอกอืมร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟัน หนังเนื้อเอ็นกระดูกยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อใส่องสุขจษน้ำดีน้ำเฉลตน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูก น้ำไขยข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขยข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันฝ้นน้ำเนี้ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเฉลดน้ำมันดีเนย้อสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังปืดตัดหัวใจ น้ำแย่ในกระดูกกระดูกเอ็นเ<ะ>นื้อหปันเลน็บนผมเรามีเราอยู่ในอาการสั้นที่สองนี่ไหมไม่มีครับเราเป็นขนหรือเปล่าไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นครับผมหรือเปล่าไม่ใช่ครับในร่างกายนี้ไม่มีเราใช่ไหมไม่มีครับเ็นว้สเซรบแมนไม่ได้อยู่ในร่างกายใช่ไหมใช่ครับ อยู่ที่ไหนน่ะไม่อยู่อะไรค่ะอยู่อีกโลกหนึ่งนะครครับโลกของ invisible man ียกว่าโลกทิพย์อ่าครับครั uh, บ invisible man ก็คือกายทิพย์อ่าครับครับอ่ากายทิพย์มามาเชื่อมกับร่างกายเหมือนกับโทรศัพท์สองเครื่องเชื่อมต่อกันด้วยอะไรใ<ช>ไนใ uh, สัญญาณเชื่อมกันใช่ไหมสัญญาณวิทยุใช่ไหมใช่ครับอ uh, ่า uh, อินวิสเวอร์นก็เชื่อมกับร่างกายด้วยสัญญาณสัญญาณสัญญาณจิตกรแะแสจิตก็เรียกกระแสจิตมันกระแสวิญญาณมันส่งมาเชื่อมที่ตาหูจมูกนิ้นกายแล้เวลาร่างกายเห็นเวลาตาเห็นรูปมันก็มันก็เชื่อมไปที่ใจไปที่โลกทิตไปที่อินวิสเวอร์แน อิน i ิสิบิก็รู้่าตอนนี้กำลังเห็นภาพเห็นไเห็นภาพเราอยู่ในจอใช่มัย้ยค่ะอันนั้นแหละคนที่เห็นก็คือ Invisible Man แต่คนที่ถ่ายภาพก็คือร่างกายร่างกายมันเหมือนกล้องตาเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วถ่ายวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้ส่งไปให้ใจเหมือนเหมือนเวลาเจที่ อ่ายรุ่นจะมาถ่ายรูปแล้วส่งไว้ให้แม่เนี่ยส่งไปให้เครื่องหนึ่งส่งทั้งหลส่งทางมือถือได้ใช่ไหมครับอ่านั่นแหละแม่ไม่ต้องอยู่ในไม่ต้องอยู่กับญาที่ก็สามารถเห็นได้ใช่ไหมนะคะอ่านั่นแหละใจก็ไม่ต้องใจก็ไม่ต้องอยู่ใ น, นร่างกายใช่ไหมใจอยู่นโลกอะไรอยู่โลกทิศเพราะใจาเป็นกายทิ้อครับ เข้าใจหลักนี้ฮะจำไว้ให้ดีนะ Invisible Man อยู่อีกโลกหนึ่ง uh oh. โลกโลกของ Invisible Man แล้วก็ส่งสัญญาณเหมือนสัญญาณวิทยุภาษาจิตมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อรับรู uh ้เ oh. สียงกิรลดที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้ไกายนะ งั้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นกับ Invisible Man เข้าใจไหมครยเข้าใจครับใครทุบตีร่างกายก็เขาก็ไม่ได้ไปตี Invisible Man uh huh. Invisible Man ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปตกใจนะรับร uh huh. ่างกายเขาเป็นคนถูกทุบตีเขายังไม่เสียใจเลยเขาเฉยเฉยทำลายกับร่างกายเขาก็ไม่ว่าเขาไม่บน่นอะครับ huh. ไอ้ที่บนก็นคือ Invisible Man นะลองสอน Invisible Man อย่าไปบนอย่าไปทุกกับร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายทำได้ไหมทำได้ครับเวลาปวดท้องอย่าร้องไห้นะเวลาโดนใจว่าอย่าเสียใจนะครับ เพราะว่าร่างกายร่างกายมันเสียใจทำไมใจเราไปเสียใจแทนร่างกายทำไครัมเขามองไม่เห็นเราเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างหลังร่างกายนะครับโอเคมีอะไรจะทํามไหมไม่มีแล้วค่ะหนูมีนิดนึงค่ะอาจารยเวลาที่นั่งสมาธิอะค่ะแล้วมันเกิดนิมิตเห็นภาพคนที่เราไม่เคยรู้จักมาต่ออะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยคือเราไม่มีสติแล้วจิตมันปรุงแต่งไปเองใช่ไหมก็อย่างนั้นแหละพอเราไม่คุมมันมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาค่ะปรุงแต่งว่าอาจจะเป็นภาพในอดีตที่มันฝังอยู่ในใจก็ได้มันก็ขึ้นมาได้แต่ตอนถ้าทําสมาธิเราไม่ต้องไปสนใจกับอะไรทั้งหมดกลับมากลับมากลับมาทาสมาธิมาดูลมมาทําอะไรเดียวมันก็หายไปเองไม่ต้องไปทําอะไรมัน ถ้าไปตามรู้มัอนเดก็มันก็ยิ่งแต่งเป็นเรื่องเวลาใหญ่ไปเลยถ้าถ้านั้นว่ามีสติตัลอดเวลาคือเราจะไม่เห็นใช่ไหมพราะมันก็จะยังเกิดถ้ามีสติมันจะไม่เห็นอะไรมันจ่อยไม่ได้เพราะสติคุมอยู่คุมสังขารโดยเฉสังขารความคิดปรุงแต่งมในตัวปุงภาพต่างๆเสียงต่างๆขึ้นมาสังคัรกับสัญญาความจำนั้นทั้งอย่างมัน ทำงานรุ่มกันแต่ถ้าเราคุมสังขารได้คุมสัญญาได้เหมือนกันทำงานไม่ได้มันก็ผลิตอะไรออกมาให้เราดูไม่ได้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจแสดงว่าเราเพลอแล้วเราไม่ได้อยู่กับรมแล้วเราไม่ได้บาทีเราเราปล่อยพอปล่อยมันก็เลย มันก็เลยทำงานของมันได้แต่มันทำอะไรก็ไม่ได้ไปสนใจภาพจะหน้ากลัวน้ารัก ง, งานมันก็เป็นภาพหรอกภาพไม่ใช่ของมันเหมือนภาพภาพยนตร์ใจเราก็เป็นเหมือนจอภาพเราทีวีเยจอคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็ปล่อยให้คอมพิวเตอร์มันผลิตรูปอะไรขึ้นมาให้เราเห็นมันทำอะไรเราไม่ได้ รูปมันทําลายจอไม่ได้ตายเป็นรูประเบยรูประเบย เ, เปี้ยงๆขึ้นมาระเบิดทั้งจอจอก็ยังอยู่คือ <Okay. S 2> สังเกตค่ะคือสังเกตว่าถ้าถ้าใช้พุโทโธพุโทโธทำมันจะไม่เกิดแต่ถ้าบางทีก็อยากลอง ท, ทํำอัฐิพระจาังสอนคือดูลองหายใจที่ไปลจมูกจุดเดียวอันนี้มันทําได้ยากกว่าค่ะ ทำได้แป๊บนึ่ล้ก็บบติด้สติที่มีกำลังมากถึงจยดูได้ถ้าไม่ได้ก็กลับมาพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ดูลงก็กลับมาอยู่ที่พุทโธก่อนกานั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเนี๋ยมันก็ปรุงแต่งขึ้นมานะเข้าใจนะเข้าใจครับโอเคเียนไปที่คุณฝนกับลูกชายครับขอบเราขอคุณพระจาครับ กั็นฝนกับลูกชายกลาวนมันกนสการค่ะพระอาจารย์อพอดีอพอดีวันนี้ปกติแฟนจะไม่ได้อยู่อะค่ะคือเขาจะวิ่งต่างจังหวัดนะคะที่กรุงเทพเออชลบุรีพัทยาแล้วพอดีช่วงนี้เขาอยู่บ้านแล้วก็ตรงกับที่เข้าสุ่มพระอาจารย์รดีก็เลยอยากจะให้เขาได้เข้ามาแบบได ตอนระหว่างเปิดก็ให้เขาได้ฟังทมด้วยแล้วก็ได้ให้เขามากาบพาะอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมากราบพร้อมกันทั้งพ่อแม่ลูกสามคนนะคะพะอาจารย์่ยินดีด้วย น, นะทาทำทำเป็นกิจกรรมของครอบครัวได้กันเลยค่ะเป็นการสารลูกไปในตัวลูกจะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมะค่ะถ้าเราไม่ดูลูกเขาก็ไม่ดูตามนะถ้าเราดูเขาก็ดูตาม ก็อย่างเมื่อกี้ที่นั่งระหว่างนั่งรอเขานั่งฟังก็ให้ฟังตอนที่อ่าท่านตอนพระอาจารย์คุยกับพี่จามาจตี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบสนใจฟังในแบบเนี้ยค่ะในการศึกษาในการเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราที่เราไม่รู้กันเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอน่งค่ะแต่ไม่เจอพระพูดพระทมพระสงฆ์แล้วไม่มีไม่มีวันที่รู้เรื่องของเราแบบนี้ได้ค่ะแล้วหนูจะทำไหมเรื่องเอย ทำไม่กล้าทำวันที่เมื่อกี้ก็าคุยกับเขาแล้วก็เห็นพระอาจารย์พูดถึง Invisible Man ่ะคะหนูก็เลยพยายามจะให้เขาแบบอยากให้เขาเข้าใจว่า Invisible Man ในที่นี้ที่พระอาจารย์หมายถึงแบบคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่สั่งให้หนูทาอะไรสั่งให้ร่างกายหนูทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ร่างกายเขา้าใจไหมเวลาหนูจะอยากจะเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ร่างกายอยากจะเล่นนะแต่ Invisible Man คนที่สั่งให้ร่างกายเนี่คนอยากเล่น ให้ร่างกายไปเปิดเครื่องคอมไปเปิดมือถือแล้วก็เล่นเกมท้าถ้าไถ้าคนนี้ไม่สั่งร่างกายก็ทําอะไรไม่ได้ร่างกายจะนั่งอยู่เฉยร่างกายเหมือนรถยนต์อย่างนี้ถ้าไม่มีใครขับรถมันก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องมีคนขับร่างกายเราก็ต้องมีคนขับคนขับร่างกายเราก็คือ invisible man <c oughs> ที่เรียกแล้วที่เราเรียกว่าใจจิตใจ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าววอย่างนี้ใจเป็นมาสเตอร์ร่างกายเป็นเซอร์ huh. แวนถ้าเจ้านายไม่สั่งลูกน้องก็ทำอะไรไม่ได้อยู่เฉยๆรอคำรอรับคำสัง่ง uh huh. เป็นสองคนนะเราเราไม่ใช่คนเป็นคนคนเดียวเรามีคนสองคนอยู่ในในชีวิตของเรามีร่างกายแล้วก็มีใจเป็นเหมือนฝ้าแฝด ออืเขาจะเข้าใจไหมอะลูกไม่เป็นไรละฟังไปก่อนการพยายามคือเหมือนให้เขาให้ผ่านหูอ่ะค่ะพระอาจารย์ให้เขาเข้าใจแล้วก็อย่างเรื่องกรรมเรื่องอะไรแบบนี้ยค่ะเขาก็ก็ก็เข้าใจอย่างสี่ห้าเขาเข้าใจว่าคืออะไรแล้วก็แบบหกไม่ควรทําที่แบบคือควรจะปฏิบัติตามสี่อะไรแบบนี้ค่ะเขาเข้าใจนะคะพระอาจารย์ก็พยายามจะ <K> คือเขาก็คงยังไม่ได้ถึงกับมาทางนี้แต่ว่าหนูก็พยายามจะให้เขาเห็นว่าเออแม่นั่งสมาธินะหรือว่าต้องถือศีลห้าหรืออะไรแบบเนี้นะคะก็ให้เขาค่ อ, คอยๆซึมซาบไปนะคะใค่อยๆ่อให้ข้อมูลป้อนเขาไปเรื่อยเื่อยค่ะมันยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่เลก็ให้ให้ข้อมูลแบบว่าง่ายๆก่อนค่ะค่ะก็ไปเป็นไปไปค่ะก็ ดีใจวันนี้ได้มาทั้งครอบครัวก็ก็เลยอยากให้แฟนเขาได้เข้าเข้าฟังด้วยเพราะปกติเวลาหนูหนูเปิด u ู u b e วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเขานั่งทำงานอยู่ก็เขาก็จะได้ยินไปด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เหมือนค่อยคคือเปิดไปอะค่ะเขาเขาได้ยินด้วยก็ดีบางทีอาจจะเข้าไปในหูบ้างหนึช่วงก็ดีอะค่ะพระอาจารย์เขาก็แบบพอเดี๋ยวนี้บางทีหนูคุยเรื่องธรรมะกับเขาอะค่ะเขาก็ เขาเข้าใจอ<ม>่ะค่ะเขาเข้าใจว่าแบบเราเรากําลังพูดถึงอะไรหรือว่าเราหมายถึงอะไรแบบนี้อค่ะ<ม> <c oughs> ก็ก็โอเคธรรมะมีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากเป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทั้งหมดในโลกนี้อ่าดูแลเราจะมีเครื่องมือดับความทุกข์ใจของเราได้ครับโอเคนะยังขาดใจกล่าวขอบคุณมากเลยเจ้าค่ะกล่าวขอบคุณค่ะ ในที่คุณหมอพิเชษก่อนนะคุณหมอให้ป้อนคำถามก่อนอาจารย์เป็นห ม, หมอเปิดไม้ได้ไหมเปิดได้แล้วครับกับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายควรจะยึดหลักอะไรในการดำเนินชีวิตครับอาจารย์ว่าหลักธรรมเหลักธรรมเนี่ยเป็น หลักที่เราควรจะน้ำใช้เป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจนี่หลักธรรมมันก็มีหลายด้านหลายมุมถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยเวลาเข้าสังคมอยู่กับคนเราก็ต้องได้หลักพรมหิหารสี่ให้มีความเมตตากรุณามุิิตาอุเบกขาในการที่เราจะอยู่กับคนด้วยกันอย่างมีความสุขเมตตาํำจุนโลก ที่ไหนมีความเมตตาที่นั่นมีความสุขนะย่างช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาก็มีเมตตามีขัดสันตะครดมาแจกข้าวแจกของเลยนะอันนี้ก็เมตตาเสียดายว่าทําเพียงวันเดียวแล้วปีหนึ่งทําแค่วันเดียวมันต้องทําทุกวันนะต้องมีความเมตตากับทุกๆคนเวลาเราพบปะกับใครเราต้องแสดงความเป็นมิตรคำว่าเมเมตาก็คือมมตรีจริตนี่ มีมีมิตรเป็นมิตรแสดงมิตรภาพถือทุกคนว่าเป็นเพื่อนไม่เป็นศัตรูกันเป็นเหมือนเพื่อนเกิดแก่เจ็บใจเพื่อนร่วมโลบทุกข์ร่วมสุด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องมาต่อสู้กันแย่งแยกงชิงดีกันต้องใช้หลักเมตตาถ้าอยู่้กันกรุณาก็เวลาที่มีความใคร ทุกยางเดือดร้อนเราพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเข้าไปมุนีตาเวลาใครได้ดีได้ดีแล้วก็แสดงความยินดีไปกับเขาอย่างอย่าไปอิจฉาหรือเสยียแล้วอุเบกขาถ้าเขาตกอยู่ในสภาพที่เราช่วยอะไรไม่ได้เราก็ต้องทำใจเฉยๆมันเรื่องของกรรมไปเกิดเขาเป็นโรคมะไรรักษาไม่ได้อะไรอย่างนีน้เราก็ทำอะไรไม่ได้ จะช่วยเขาหายจากโรคอะไรไม่ได้แล้วก็อย่าไปทุกข์กับเขาไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ต้องรักษาใจของเราด้วยบางทีหวังดีกับคนอื่นแต่ก็ต้องไปทุกข์กับความหวังดีใช่ไหมห่วงคนนั้นห่วงคนนี้จนกระั่งตัวเองกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ก็ผิดละ น, นี่ก็หลักง่ายๆสำหรับเวลาที่เราเกี่ยวข้องกันกับกับคนทั้งหลาย ส่วนถ้าเราการดําเนินชีวิตของเราเราก็ต้องมีสติเป็นเป็นตัวนํานำเราต้องมีสติคอยรู้อยู่ทุกยุคยุบทของการเคลื่อนไหวล้วเรากําลังทําอะไรเรากําลังคิดอะไรกําลังจะพูดอะไรนี่ยต้องมีสติคอยเฝ้าดถ้ามีสติมันก็จะเวลาจะโปลดปล่ยมันก็ใช้เมตตามันจะมาให้อภัยเข้าไป ถ้าไม่มีสติมันก็มันก็พุ่องออกไปปวดกด็ด่าเขาว่าเขาเล ย, ยาการที่จะดำเนินชีวิตที่ไปในแนวทางที่ถูกต้องต้องมีสติมันผู้คอยคอยควบคุมความคิดต่างๆคอยดูว่าคิดไปในทิศทางที่ถูกหรือไม่ทิศทางนี่ไม่ถูกเราก็ต้องหยุดมันเอ็นม่ให้ทำบาปไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่น อันนี้ก็เป็นความเมตตายอย่างควาเมตตามีอยู่สีลักษณะนะให้อภัยเวลาเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองกันอทําอะไรก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้มันมันมันเผ็ดนะต้องอย่าไปทำร้ายผู้อื่นน้องรักษาสี่ห้าอย่าทําบาอื แล้วก็ถ้าเรามีอะไรที่จะพอที่จะแบ่งกันเขาได้ก็แบ่งกันไปให้เขาให้เขาได้มีความสุขบ้างต้องมีสติคอยคอยดูคอยต้องกับต้องฝึกสตินี่ก็โดยหลักทั่วไปนะครับได้ดกินนิดก่อแต่ถ้าอยากจะถ้ายังไม่มีความรู้พอก็เนี่ยมันขยันศึกษา ฟังเทศฟังธรรมก็หาผู้รู้อยู่เรืเอนน่อยพระเจ้ากาหนดวันพระขึ้นมาเพื่อให้ได้มีเวลาไปศึกษาธรรมบ้างวันธรรมมัสวนะน่ะวันพระเขาเรียกวันธรมนะธรมััศวะมัสวะน่ะก็คือการฟังธรรมการศึกษาธรรมเพื่อเกิดปัญญาเกิดสมาธิให้รู้วิธีดําเนินชีวิตที่ถูกต้องที่เราต้องดาเนินอย่างไร ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราก็จะถูกอวิชชาที่เข้าลวมกิจการเราเป็นคนสอนมันก็จะสอนให้เราโลภโกรธโหนงแล้วก็เกิดเกิดผลเสียหายกับเราแล้วกเกิดผลเสียหายกับผู้อื่นตามมาเนี่ยฆ่ากันเป็นผักเป็นเมือเลยสงครามเนี่ยเพราะความโกรธแท้ๆนี่ไม่ไม่มีความเมตตาม็นฆ่าพวกเราเราก็ต้องกลับไปฆ่าพวกมันนี เนี่ยพราะไม่มีไม่มีสติไม่มีธรรมะมีแต่อวิชชาฟันต่อฟันตาต่อตาตั้งใจฟันต่อฟันถ้าทําฟันเรานหนึ่งแล้วต้องทําก็สิบเท่านี่แสดงความโหมดร้ายทารุณขันขาดความเมตตาแต่คนก็ไม่เห็นอย่างนี้นกับว่าเป็นสิ่งที่ชอบทํามันก็ทํำแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จล้างแค้น แต่เขาก็ไม่คิว่าสวันหนึ่งเขาต้องกลับมาล้งแค้นเราพระจ้บอกว่าเวรย่อมไม่ล้างรับด้วยการจองเวรเวรย่อมล้างับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราไม่จองเวรเขาทําร้ายเราเราไม่ตอบโต้เดี๋ยวเขาก็อยุดเองเรื่องมันก็ไม่บานปลายเขาเด้ทําตามที่เขาอยากทําแล้วเราอาจะไม่ทำรให้เขาไม่พอใจโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ เขาก็อยากจะแก้แค้นเราก็าปล่อยเขาแก้แค้นไปร่างแค้นไปร้างแค้นแล้วก็จกบอย่าวิธีทีท่ทำใจไม่ไม่ไปร่างแค้นทำร้ายผู้อื่นร้างคิดอย่างนี้ถ้าเขาไม่ชอบเราวก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ทุบตีเราถ้าเขาทุบตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเรา ถ้าฆ่าเราก็ดีแล้วมันจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปจบการไม่จองเวรอย่าไปจองเวรจองแล้วมันยาวเราไปด่าเขาเดี๋ยวเขาก็ด่ากลับเรามาพอเขาด่ากลับมาล้วก็ไปตีเขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาตีเราแล้วฆ่าเราต่อไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็เลวร้าเลวรด้วยกันทั้งคู่ แต่คนที่ไม่ทำไม่สาบโตน่ะเป็นคนดีแพ้เป็นพราชนะเป็นมารนะนี้คือหลักธรรมที่เราจะใช้เวลาที่เราอยู่ร่วมกันในโลกนี้ต้องมีความเมตตามีการให้อภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันไม่ให้ให้มีการแบ่งมันแบ่งความสุขให้กับผู้ถ้าเรามีเหลือเฟือที่จะแบ่งได้ก็ควรจะแบ่ง ถ้าโลกก็จะอยู่กันอย่างน้อมเย็นเป็นสมที่บทธรรมที่พูดไว้ว่าเมตตาค้าจุนนอกถ้าโลกมีความเมตตาโลกนี้จะอยู่กันอย่างน้อมเย็นเป็นสมจะไม่มีสงครามไม่มีการทําร้ายกันอนี่มีสงครามก็แสดงว่าไม่มีความเมตตาต่อกันครับเข้าใจมาก ธรรมะมันมีสองันดับระดับที่เราเกี่ยวข้องกับคนถ้าเราเป็นพวกที่ไม่อยากจะเกี่ยวข้องใครเราไปเป็นนักบวชนี่แล้วก็ก็ธรรมะอีกแบบหนึ่งอันนี้ธรรมะเพื่อสอนทําใจให้สงบให้มีความสุขกับความสงบเพื่อเราจะได้ไม่ไปโลภไปอยากได้อะไรจากใครตับใครอยู่ของเราตามลำพังได้อันนี้ก็อีอกระดับหนึ่งเข้าใจนะ กับว่าคุณครับอาจารย์อาตุทีนี้กลับมาที่ใคอร์อันโดนลอันโดหน้าตาเป็นยังไงคุณยายไม่อยู่เเอ่อก็อาจารย์ครับผมแก่กล่อมคุณยายวันนี้ไม่สำเร็จครับผมอาจารย์พูดพูดไม่ต่ำกว่าประมาณสี่สิบรอบ วันนี้ตั้งแต่เช้าคุณยายพวได้ดตีนขาดยังไงก็ไม่ยอมมาครั บ, บนั่งอยู่ข้างหลังในเวลาคุณยายพักผ่อนเถอะถ้ามาไม่ได้ก็พักผ่อนอย่าไปอย่าไปบีบบังคับคุณยายคุณยายไม่ไหวค่ะคุณยายครับคุณยายไม่อยากเหมือนแบบมานั่งให้เห็นว่าคุณยายป่วยอก็ดีแล้วนะ่ะคุณยายเขาเขาเขาเขารู้อะไรควนไม่ควน เรานะไม่ควรที่จะไปไปบับงคับพี่ยายเราเป็นคนรับใช้ไม่ใช่เป็นเจ้านายพี่พี่ยายพี่ยายนะบอกพี่ยายได้เตือนได้วาวันนี้เป็นวันพระวันวันที่มีวันทนารามถ้าคุณยายบอกไม่สะดวกก็ก็จบไม่ต้องไปรบกวนพี่พี่ยา ย, ย, ายาขวัญ น, นะทับขวัญให้สบายไม่ต้องกังวลนอนฟังไปก็ได้ คุณยายตอนแรกอยากอยากฟังธรรมมากเลยครับแล้วก็พูดพูดแต่แบบอยากจะเข้าซูมพอประมาณแบบอ่าสิบนาทีก่อนที่จะเข้าซูมฮะอยู่ดีๆก็บอกว่าไม่เข้านะเธอเข้าเองเลยเดี๋ยวฉันนั่งฟังอยู่ข้างหลัง <c oughs> ผมผมก็เลยแบบ อยายวันนี้วันพักสุดท้ายของปีแล้วว่าอะไรอย่างนี้ก็เกลี้ยกลอมอย่างที่ผมบอกว่าจะเกี้ยกลอมเก็เกี้ยกล่อมคุณยายมากมากเกินไปไม่ไม่ไม่ต้องป่อยคุณยายตัดสินใจคก็ปล่อยเขาตอนแรกก็บอกเขาว่ายังอยากฟังทำอยู่ใช่ไหมเขาบอกอยากฟังแต่ไม่อยากออกกล้องก็เลยไม่เป็นไรนันอยู่ข้างหลังครโอเค วันนี้ก็มากราบพระอาจารย์ครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็การปฏิบัติก็ยังคงปฏิปทาเดิมไว้ครับอโอเคนะมีสเตจ น, นะฝึกสติ อ, อยู่เรื่อยๆนะผมพรอมลงว่างไหมครับอาจารย์ใช่พร้อมลงแลเราจะไปทีแล้วอ่ะไม่รู้เลยครับอาจารย์ไม่ได้ช่างเลยครับอ่านเราจะไปรู้แล้วนะพร้อมระวนะ เผื่อพาจาย์ดูบางทีทางสายตามันอาจจะหลอกได้แล้วแต่กล้องมุงคนหันหันหน้าไปมุมหนึ่งรู้สึกผอมหันหน้าไปมุมรู้สึกอ้วนกันนดะต้องดูน้ําหนักเป็นตัวที่จะตัดสินว่าอ้อนวนหรือผอมไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลอ่ะ ครับก็พยายามกินให้น้อยลงแต่บางทีก็รู้สึกว่ากลัวมันจะแบบว่าไม่อิ่มก็เลยกินนิดเนึน่ครับผมอาจารย์กลัวว่าเดี๋ยวแบบกินน้อยไปแล้วมันจะไม่มีแรงปฏิบัติอนะไรแต่ว่าจริงๆมันก็คือเราโดนกิเลสหนอกล่ะครับอาจารย์ใช่ครั บ, รบก็ยังคงสติไว้ครับอาจารย์โอเคอย่าเพกสติไปนะ ยังมีวักาวทีสองเนะกลับมาท่องใหม่ครับนะครับข็ข็ไม่ต้องท่องแล้วเสีลยมแล้วใช่ไหมเอ๊ะขาไปได้ครับแต่ขาครับไม่แน่ใจได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า เลือดในสมองสีสันน้ำดีน้ำเส็ดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำบุกน้ำเป๋าข้อน้ำบูดนะคะกลับไม่แน่ใจมันต้องหาท่องให้ได้ครับเพราะว่าหากรรานี่ต้องมีสติมากขึ้นถึงจะทำได้เลยกลายเป็นมีสติมากกว่าสวดมนต์ธรรมดานะครับอาจารับโอเคนะของดีนะอาอย่าโยนทิ้งนะของดีมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ ปก้องใจเราไม่ให้ไปทุกกับคนตางถ้าไม่เห็นเดี๋ยวก็ไปมีแฟนนะเดี๋ยวก็ไปทุกกับแฟนครับอาจารย์ได้ครับไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งอืมครับอาจารย์ทันททันแข่งแรกครับคุณ อ, อนอนองเชิญคุณอานอ น, ออนท์นงขอต้อนรับขอบมาสักกา ร, รณรบอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้า มีกันเจอบททดสอบหลากหลายเลยเข้าจรังก็ห่างไหมม่่ง่างเหมือนเหมือนกับปะเลนะลูกทีมส่งข้อความไลน์ทิปมาในห้องคือส่งว่าเราส่งว่าตัวโยมนี่แหละส่งมาแล้วเขาก็คิดว่าไม่มีใครเห็นส่งออกแต่ว่ามีคนแคปเอามาให้ดูเสร็จก็เออก็คิดว่าเออเขาก็จะ เข้าใจอะไรผิดคือมันก็ไม่ได้มีความโกรธแต่หน่วนก็ว่าเออมองแล้วก็คิดว่าเออก็อาจจะเข้าใจอะไรผิดถ้ามีโอกาสก็คงจะคุยแต่ว่าถ้าเขาเลือกจะอันเซนก็อาจจะไม่อยากให้เรารู้ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปเออซื้อมันขึ้นมาก็ได้วันนี้วันที่เรียกประชุมทุกคนก็คิดว่าโยมจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาต่อว่าเงียบยงก็ไม่พูดถึงก็คิดว่าอปล่อยมันไปเหมือนก็เขาอยากอาจจะอยากไปคุยอีกห้องหนึ่งส่งผิดไม่ได้อยากจะให้เรารับรู้ ถ้าเราไปเอามันมาเป็นอารมณ์เราก็จะขุนมัวเองอก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบมีความแล้วก็ไม่ได้ไปอยากจะไรีว่าไม่ใช่เรื่องมเรื่องของเรากขาจะคิดอย่างไรกับเราก็เรื่องของเขาใช่ใช่แล้วก็ให้รู้าาก็แล้วกันเขาเป็นอย่างนี้สร้ใช่ ต, อ, ตอนตอนนั้นเราก็อาจจะพูดอย่างหนึ่งล่าหลังเราก็อาจจะพูดอย่างหนึ่งใช่แต่ว่าเอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่าอย่าวาใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตาย ถ้าเราก็ดีกว่าใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเห็นรับสติปัญญาของเราดีกว่าใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบพยายามจะไปพูดนั่นนี่หรือต่อว่ามากมันก็กลาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็เราก็ผ่านไปเลยท่านเหมือนกับว่าเราวางใจได้ถูกตรงเนี้ยแล้วเราก็จะไม่เอามันมาคิดเราก็จะสบายใจผ่านไปเลยแต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้วเราเราอยังพี่ใบแบกอดีตอยู่นึ ใช่ค่ะก็ยังคุยกับสามีตอนแรนกเขาบอกอไม่คุยเลยพราะเบอกว่าเราลองดูสิสามวันนะเราก็ไม่คิดอะไรกันแล้วเพราอมันผ่านเวลาไปเราไม่เอามันมาคิดอะ่ะมันก็ผ่านไปจริงๆริใช่ก็เรื่องตรงเยอะๆที่มันผ่านไปแล้วใช่ไหมใช่มเรื่องเยอะแยะที่มันผ่านไปแล้วที่เราลืมไปหมดแล้วใช่ค่ะอื<ช>แต่ว่าก็ดีคะ่ะที่พระอาจารย์ให้เขาคิดว่าก็เราก็แค่รู้ว่าอ๋อคนที่เป็นแบบนี้<ๆ>ก็ ไว้ใจเอรื่อนการไว้ใจคนก็เป็นสิ่งที่มาสอนปัญญาเราอ่ก็เรื่องการเราอยู่กันนอกกระทำไมีทั้งสรรเสริญไม่ต้งเอ็นทารใช่ค่ะนอกทหน้าเราข้อมักจะสรรเสริญทั้งนั้นหลังเรามักจะซุบซิบเรื่อทั้งนั้นอ่ะมันเป็นมันเป็นปกติท่านใช่ระบปกติของโลกไงใช่ค่ะานยังไยังไม่เตือนเตือนตกใจเวลาเราไปได้ยินข้อเอนทาเราใช่ค่ะ เป็นเรื่องปกติโลกธรรมใช่ว่่เราทำตอนนี้นเราดีที่สุดแล้วจบอน้องก็เพราะว่ามันจะให้ถูกใจหมดทุกอย่างในโลกธรรมก็คงไม่ได้นักเท่าไหร่หรอกใช่ครับแล้วก็พอดียมไปภูฏานมากับกลุ่มก็จริงๆก็ได้อย่างหนึง่งอยากจะมาถามท่านเขาจะไปปีนไม่รู้พระอจารคยนวัดวัดที่แบบอยู่บนหน้าผาค่ะตักซังจะชันมาก อ, มอันนี้ โยมก็ประเมินร่างกายตัวเองว่าโอ้โหน่าจะปีไม่ไหว mm hmm. ก็คิดว่าเอะไม่เป็นไรก็ใครอยากขึ้นก็ขึ้นไปเพราะโยมมองว่าเออถ้าเราไปเนี่ยสงสัยจะหนึ่งอาจจะไปเป็นภาระก็ด้วยสองเราอาจจะไม่ได้สนุกรู้สึกว่าเจริรู้สึกแบบคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอยากจะต้องมีการไปติดผนังว่าเราพิชิตยอดเขาอะไรนี้ไม่ไม่ได้มีความอยากอย่างนั้นเพราะว่าคิดว่าร่างกายอาจจะไม่ได้ พร้อมในการจะไปปีนเลยที่ชันอย่างนั้นทีนี้ก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เราเรียกเรากลัวตายไหมหรือจริงๆเราเราไม่ก็ันว่าเราหลงหล ง, ล ง, ลงไม่รู้จักใช้เวลาให้งานเกิดประโยชน์กับเรามไปเดินโยงคมสองชั่วโมงเยันดีกว่าไปปีนเขาเใช่ไหมคะเดินโยงคมได้ประโยชน์กว่ายิ่งย่ายง่ายกว่าสั้นสบายกว่าไม่ต้องไม่ต้องไเดินทางไปไม่ต้องไปเสี่ยงภัยอะไรทั้งสิ้นเดินโยงคมที่บ้านนี่แหละ เอาชนะกิเลสดีกว่าโอ้ชนะภูเขาเป็นชนะมันทํำไมภูเขามันไม่ได้มีพพ้นมีภายอะไรกับเราทั้งนั้นตัวที่มีพพ้นมีภายก็คือตัวกิเลสเราไม่อยากเอาชนะมันนโยมก็เลยไม่ได้ขึ้นยมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโยมนั่งสมาธิอยู่ข้างล่างละกันนะทุกคนขึ้นไปอ่างั้นนอืาโยมก็ว่าไม่ไปพิชิตหน่อยหรือบอก เออไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าก็มาคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เป็นการที่เรากลัวตายหรือเปล่าไม่ใช่ใช่มท่านเห็นมหมว่าไม่ใช่ว่าเราแบบกลัวตายเราเลยไม่ขึ้นใช่ไหมก็แล้วแต่เรากลัวหรือฝันเราก็ต้องถามตัวเราเองเนี่ยเห็นไหมเราต้องรู้เลยว่าเรากลัวตายหรือเปล่าอไม่ว่าเราคิดว่าเราเราออกไปเสี่ยงตายทํางานการเรื่องไร้สาระเมองอย่างนั้นมากกว่าว่าจริงมันจริงๆเราเอาเวลาตรงนั้นมาทําอย่างอื่นดูเสื้อไปเสี่ยงตายกับทาไม่ดีกว่าทับ เอาไปเอานิพานนี่บ่านิพานอยู่ฟากตายอะไรอย่างนี้ยอมยอมตายนี่บ่ายังได้นิพานนี่มันยังคุ้มค่ากว่าอไอเสียงตายแล้เพิ่งจะได้ได้ได้บอกว่าได้ปีนเขาลูกนี้มันมีอะไรพิเศษเนียทีเด็ ม, มันก็ไม่ตายทั้ตัวอย่างเงี้ยมองก็มองอย่างนั้นแหละว่าเออไปขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าก็าองคเดียวกับที่เรากราบนี่แหละก็กราบอย่างาไรก็เหมือนกันการกราบด้วยการบูชาพุทเจ้าบอกให้การาบด้วยปฏิบัติบูชา เดินโยกกลมนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการปฏิบัติบูชาออันนี้ดีมากเลยค่ะก็เลยก็เลยนั่งสมาธิอยู่ข้างล่างทุกในขณะที่ทุกคนขึ้นไปแล้วทุกคนลงมาก็มาพูดว่าดีมากเลยที่ไม่ไปปีนนะหัวใจจะหลุดออกมาจากจากอกก็โยงก็บอกนั่นแหละเพราะคิดว่าคงจะอย่างนั้นแหละอืจก็เลยทุกคนก็ถามว่าอยู่คนเดียวได้เหรอบอกทําอะไรบอก อนั่งอยู่ข้างล่างก็นั่งสมาธิให้ทุกคนปีนเขาด้วยความปลอดภัยบอกอยู่ได้อยู่คนเดียวได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอยู่คนเดียวเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ท่านแต่ ย, ยมบอกว่ายอมอยู่ได้ไม่ได้มีปัญหาโลกเราชอบเก่งในเรื่องที่ไม่ไม่เป็นเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องทำไม่ชอบเก่งเลยไม่ได้เลยควาน้ำไหลไปชีวิตนี้ไม่ได้อะไรไป ก็กลับมาก็ก็เลยก็ก็จริงๆตอนแรกก็หลังๆลั้งแต่เข้ามาปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมพระอาจารย์เนี่ยจริงๆความอยากเที่ยวน้อยมากท่านอันนี้คือเหมือนอแบบต้องสุดๆจริงๆแล้วถึงตัดริงใจไปกับพวกกลุ่มนี้เพราะว่าเหมือนที่บ้านครอบครัวชวนไปเที่ยวนู่นนี่ก็มันเหมือนเราไม่ได้มีความอยากจะไปอย่างนั้นแบบไปเที่ยวๆเลยจริงอ่ะ เร <Okay. S 2> าเที่ยวในธรรมหนึ่งละเที่ยวกายนครหนึ่งอะเที่ยวการดูกา mm hmm. ดการ32หนึ่งอะได้ประโยชน์กว่าเยอะแยะใช่ค่ะนีจริงนะความสงบนี่แบบ mm hmm. เป็นอะไรที่เป็นความสุขใจจริงๆอนะเนื่องดีค่ะเราก็เลยได้ไปเรียนรู้พุทธศาสนาของทางนั้นเขาก็เป็นแนวคิดที่ก็แปลกจากเรามากก็เราบอกอ๋อโอเคก็นี่กายนั้นก็พระจับเออพระ มีอะไรนะมีเข า, าแต่งงานได้ในบางสกูแต่ว่าก็จับตัวผู้หญิงได้ไม่มีปัญหาย่าก็แปลกลุกไม่เดิเนทระแล้วท่านะจะเป็นแบบอุบาสิกก็อุบาส ก, าส ก, าสกมากกว่าเขาเหมือนกับมีความเชื่ออย่างเงี้ยค่ะท่านว่าเขาเป็นนิกายวัชรยานว่าผู้หญิงเป็นส่วนสําคัญในการ<ม>บรรลุอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะเป็นอีกมหายานก็อาจจะเป็นอีก แนวความหนึ่งอเหมือนเหมือนเหมมีช่วงหนึ่งที่มีรูปปั้นที่เป็นประเด็นในบ้านเราที่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีกับผู้หญิงนะคะ่ะอันก็คือมาจากนิกายนี้ยคะ่ะวัชรยานเขาก็รูปปั้นพระพุทธเจ้าเขาอะจะมีผู้หญิงนะเขาอธิบายให้ฟังเราก็อ๋อเนี่ยก็มีความแปลกไปเนี่ก็เป็นอีกนิกายหนึ่งเราได้เรียนรู้มากา็ในส่วนต่างๆของพุทธศาสนาก็มีความ เชื่อและหลักคําสอนที่อาจจะแตกต่างกับเรามากอยู่ที่ไหนนะอยู่ในประเทศไทยนีกลับมาแล้วคะ่ะอาจารย์กลับมากลับมาแล้วคะ่ะอยู่ในอะไรนะคะที่ที่พูดในอ ย, อยู่ที่ไหนอ๋อหมายถึงว่าพระเนี่ยนะคะอยู่ที่พูตานค่ะพูตอฟูตานพูตานพูตา น, า น, านแต่ว่าเขาบอกว่าเหมือนกับ<ๆ>เคยมีคนเอาพระบางเนี้ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วมาเป็นประเด็นก็เป็นประเด็นที่ ถูกตั้งคำถามมากว่าทำไมลูกปั้นพระพุทธเจ้าถึงมีถึงกอดกับผู้หญิงซึ่ง mm hmm. ภาพบางเนี้ยออริจินเอมาจากนี่ละ่ะนิกายวัชรยานที่พ mm hmm. ุทธเนี่ยค่ะ mm hmm. แล้วก็เลยบอกว่าของเขามีความเชื่อว่าผู้ชายเป็นแบบฝั่งของ energy and power ผู้หญิงเนี้ยเป็นเรื่องของ wisdom อะไรเงี้ยเขาก็เลยมันสร้างมาแบบนี้ mm hmm. อืมอนั่นแหละค่ะแล้วก็ก็เลย เลี้ยงระอาจารย์ว่าช่วงอาทิตย์ที่ไม่ได้เข้ามาเจอกันบ้านแต่ก็ผ่านไปได้ไม่ได้สอบตกช่วงนี้ก็ภาวนามากขึ้นคืออย่างวันนี้เราดีว่าวันนี้เหมือนทั้งวันอยู่ดีก็ดูลมหายใจได้ทั้งวันเลยค่ะสติแบบเหมือนมีสติอยู่ทั้งวันอาจจะช่วงปีใหม่ไม่มีงานมากทุกคนไปเที่ยวหมดแล้วในเงียบนิดนึงวันนี้ทั้งวันเหมือนอยู่กับลมหายใจได้ก็พอเราอยู่กับลมหายใจมีสติ แปปๆก็อยากจะนั่งสมาธิแป๊ปๆก็อยากจะเข้าสมาธิอีกแล้วมันมันน่าจะเป็นเพราะสติอาจจะชัดเจนมากหน่อยวันนี้คก็ดีอ่าวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะมารายงานพระอาจารย์ยาสาธเจอจะคุณค่ะวันที่นี้มากลับถึงบ้านน่าเลยวันนี้มาฟังธรรมที่วันอย่านอนชะกันค่ะพระอาจารย์ยังอยู่ห้วยใหญ่ค่ะพรุ่งนี้ถึงนั่งรถกลับไปทํางานกรุงเทพค่ะอืม มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะก็ยังปฏิบัติน้่สมาธิทุกวันเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ไปที่กุหลาบสารดิสยาอินาราเทวานรัชกาพระอาจารย์ไม่ไม่มีคำถามนะะอาจารย์ไม่มีทั้งคู่น ะ, <laughs> ะพระอาจารย์คะเป<ม>ช่วง ช่วงปีใหม่เดี๋ยวคุณแม่ไปไปปฏิบัติธรรมค่ะแต่ส่วนหนูอยู่ที่อยู่ที่บ้านค่ะก็น่าจะใช้ได้ได้อยู่สักเจ็ดหกหรือเจ็ดวันเนี่ยค่ะก็ดีต่างคนต่างอยู่แยกกันอยู่เราก็ปฏิบัติที่บ้านนนก็ได้ถ้าอยู่คนเดียวก็ปฏิบัติกระโดกกาอยู่กันด้วยกันค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คุณพ่อก็ไปอยู่ที่ร้านมากกว่าค่ะก<ม>็น่าจะได้อยู่คนเดียวค่ะอค่ะอยู่ที่เราจะปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นนะ ค่ะพระอาจารย์ก็เอ่อต้องสัปดาห์ที่แล้วลองลองไม่ลองไม่แตกงห้าดูดนะคะพระอาจารย์ก็ทันเป็นลืมลืมไปค่ะพระอาจารย์แต่ค่ะเออสัญายัเอ่อมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าจริงๆอะ่ะกลัวคนแบบว่ากลัวคนว่ามากกว่าค่ะแบบว่า เท่าที่ผ่านมาคนจะชอบวิจารณ์รูปร่างหน้าตาเราตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วก็รังเกียจประมาณนั้นแต่ว่าหนูมาพูดคุยกับพี่ที่เป็นญติธรรมมาค่ะท่านบอกว่าอาพี่เขาแนะนําบอกว่าจริงๆพี่ก็โดนนะแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นเท่าไหร่แสดงว่าคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนว่าค่ะมันมาจากหนูเองที่เขาไปรับและปลูกแต่งให้มันมีปัญหาแล้วรับมาเองก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาพิจารณาต่อค่ะว่า หนู <What S 2> ชอบหนูชอบสรรเสริญไม่ชอบเดินทางก็มีแค่ <c oughs> อยู่ในโลกนี้มันต้องเจอทั้งสองอย่างดีก็สรรเสริญบางทีก็ดินทางเราห้ามเขไม่ได้มันก็อากาศหนาวกับอากาศร้อนเนี่ยมันก็เป็นไปสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ออย่างคำพูดของคนบางอย่างนุม่มเน็ ไม่ไม่ออกเลยค่ะว่าเขาจะพูดใส่หน้าเราได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกรอบนึงก็คือแค่รู้ว่าอ๋อเขาทําได้เขาเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปช็อกอะไรใช่ไหมคะก็ปล่อยให้เขาว่าไปอ่าเราห้ามเขาได้ไหงไม่ค่อยได้ค่ะพระอาจารย์อ่งแต่เราห้ามใจเราได้ทำไมไม่ห้ามใจเราห้ามใจเราให้อย่าไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เขาพูดครับ ให้ฟังเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปเกิดอารมณ์กับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง น, นั่นก็ทำแล้วเอันนี้ต้องฝึกฝนต้องใช้สติต้องนั่งสมาธิแน่ใจได้ว่บเบิกขาแล้วทีนี้มันก็จะเฉยได้อ่าแล้วก็ดับดา์ที่ผ่านมาค่ะพอจะทําข้อสอบผ่านนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ยังถ้าสมมุติเจอเจอเด็กเขาแบบว่าถ้าสมมติเจอเด็กที่อารมณ์ไม่ค่อยดีใส่ใช่ไหมคะ ปกติหนูก็จะเฉยๆแต่ได้แค่แอคชั่นนะคะพอาจารย์แต่คราวนี้คือพอเขาทำใส่เราปุ๊บ ก, ก็หยุดคือหยุดชิดอะคะ่ะแต่ตอนที่หยุดชิดให้มันนิ่งมันจะมีความชิดหนึ่งบอกว่าแบบทำไมต้องไปยอมเขาด้วยหรือทำไมเขาทำแบบนี้กับเราเพราะอะไรทำไมมีเหตุผลอะไรมันจะมีไอตัวดักไซส์มาแต่พอหยุดปุ๊บไอ ค, คำพูดพอาจารย์ที่พอาจารย์พูดบ่อยๆะคะ่ะมันก็จะเข้ามาว่าแบบแล ถ้าเขาทําแบบนี้แล้วเราไปสู้กับหรือเราได้ประโยชน์อะไรทําหน้าที่ของเราดีกว่าแล้วถ้าเขามันก็จะมีดักไตายมาตอบว่าแบบแล้วถ้าเขาไม่ยอมฟังล่ะก็มันก็จะสิ่งที่พระอาจารย์สอนนะคะมันก็จะเข้ามาบอกก็แล้วไงอ่ะถ้าเขาไม่ยอมฟังแต่เราทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดมันกลายเป็นว่าใจค่ะมันมันมันวางแบบว่าแบบมันเหมือนปล่อยอ่ะค่ะพระอาจารย์ในช่วงนั้นได้ค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ อันนี้ก็เป็นประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังทำอยเรื่อยๆมันก็จะฝังอยู่ในใจเราเราเกิดเอาการลงทีแล้วก็อาศัยคำที่เราได้ยินนี้มาแล้วครับอารมณ์ของเราได้ค่ะพระอาจารย์โอเคพยายามทาต่อไปออ ค, ค่ะขอบคหมดแล้วใช่ไหมหมนะอายไปที่คุณสาตกาต่อสากาไก่หน้า บงังคับนะอาจารย์ปฏิบัติค่ะไม่มีปัญหาะไรนะไม่มีค่ะดีเห็น ไ, ไปที่อาจารย์พมพิไลต่อตอมขอบคุณนันทกูลเตอนยัง <c oughs> การรัอสการ์อาจารย์ล <c oughs> ุมาแล้วคะ่ะปวดตามสการ์าอ <c oughs> าจารย์ สบายดีนะสบายดีครับวันนี้มีล i t ทอร r ยูเนียนนิดหนึ่งฮะตรงใช่ใชบชีวิตจะได้มีชีวิตทีวาไม่ไม่ลดช้าขึ้นหน่อยเรูเนียกับคนอันละแปดสิบสามมันเนาะค่ะมิตรงมาแปยสิบสามแล้วมรจูงลาพเจัิญร่เคกมาด้วยกันค่ะ โอผ่านปอีกปีหนึ่งนะคะยาก็เพิ่มอีกปีหนึ่งอืมต้องถาวามันเวลาผ่านไปผ่านไปแล้วกําลังทําอะไรอยู่ก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะได้ไหนได้ถึงไหนก็ได้ได้ตรงนั้นนะคะอให้ไม่ให้ได้มากที่สุดขอมีนิพพานเป็นช่วงๆแล้วนะคะเป็นวันๆเป็นเวลาแล้วกันนะคะอืมเด่นทำใจสงบนะค่ะ ความสุขที่แท้จะอยู่ที่ความสงบนี่ะค่ะโอเคองปฏิบัติกันยุคค่ะอ่าพระเ้าค่ะการมาตกันค่ะอืมเป็นฟันที่ท่านตอไปเป็นหมอพัฒนาเป็นหมอเป็นหมอฟันหรือเป็นหมออะไรเนี่ยเป็นเป็นหมอฟันค่ะอเ่เป็ น, ห ม, นหมอใสฟัน <laughs> หมอใสฟันปลอแล้วก็เนันกใช่ใช่ฟันปลอมอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ ใช่จะที่ฟันบอมรักเทียมเหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วก็ทำพวกออสเตติกอะไรพวกเนี้ยค่ะอ่าก็เหมือนหมอแก้วเลยหมอแก้วอ่าใช่ใช่ใช่ค่ะก็เป็นเป็นหมอแต่ว่าอาจารย์เรียนเป็นว่ารู้จักกันรุ่นเดียวกันรุ่นสี่เจ็ดเป็นหมอฟันจุฬารุ่นเดียวกันแต่ว่าไปเรียนพอสติกอะไปเรียนใส่ฟันคนละคนละรุ่นค่ะหมายถึงว่าเรียนคนละคนละปีค่ะรู้จักกันแต่ว่าไม่ค่อยค่อยที่คุยกันเพราะว่าแก้วเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยพูดเยอะไงค่ะตอนที่เรียนจะพูดมาก มันก็เลยอยู่คนละกลุ่มตัวเองอาจจะพูดเยอะสมัยก่อนพูดมากมากเลยพระอาจารย์รู้สึกเลยว่าเออพูดมากจริงๆริงมองกลับไปเอพูดมากดิค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากมเลยนะคะเพราะที่พระอาจารย์พูดเรื่องแตะละว่างวันนี้ก็มาฟังหลวงพ่อชาเออท่านขยายมาอีกท่านท่านเทศให้พระฟังนะคะก็เลยยิ่งเข้าใจมากแล้วก็ลองปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยนะคะมันก็สงบคือแบบก็ยังยังรังยังรักษาความสงบอะไรได้ตลอดนะพระอาจารย์ไม่มีอารมณ์พระอาจารย์ แต่ว่าแตะละวางมันจะเข้าใจมากขึ้นเรขยายความอืมนั่นเองอืมมันป่อยวางให้ได้ไม่ไม่ทุกข์กับอะไรนั่นเองเป้าหมายก็คือไม่ให้เราไปทุกข์กับอะไรก็พยายามดูทุกเรื่องเลยค่ะอาจารย์ค่อยปล่อยมันดูดูตอนนี้มันพอพอมันพอมันพอมันอยู่กับปัจจุบันมีสติอ่ะมันก็รู้สึกเลยมันมันดีค่ะอาจารย์ก็คือมันมันมันก็รู้สึกดีสงบ อ่แล้วเดี๋ยวปีใหม่อปีใหม่ก็หาที่ไปก็คือเป็นวัดนะคะพระอาจารย์คือไม่ไม่ไม่ไปเที่ยวค่ะพระอาจารย์ไม่อยากไปแล้วขออย่างดีขอบคุณมากเลยสาธุดาไปเที่ยวก็ไปเป็นร้อยตายเกิดถ้าไปปฏิบัติธรรมก็ไปตัดภบตัดชาติ ตั้งใจทำพระอาจารย์พยายามทําให้เต็มที่ค่ะแต่ไม่มีความอยากที่จบสมัยก่อนชิบเรียนพระอาจารย์จะอยากแบบอยากอยากจบอยากหมดอะไรอย่างนี้ทําให้เต็มที่มาหน้าที่ของเราที่เราต้องปฏิบัติไปอยากามันยิ่งมันยิ่งแบบโวยโวรกวยวายเพราะเราไม่อยากค่ะพระอาจารย์รยมันรู้สึกดีมากเลยมันทําได้เรื่อยๆอืมโอเคสาธุนนะอ่าอ่าคุอ้อมคุณอ้อมจันบอวินเนี่ ย, ยงไง น้ำมาตการค่ะอ่าตอนนี้ยัมาปฏิบัติธรรมเลยอ๋อไม่ค่ะอยู่บ้านที่อุบลค่ะพระอาจารย์อยู่บ้านค่ะค่ะพรุ่งนี้ไปยุดยาวเลยค่ะหยุดตั้งแต่วันอาทิตย์ค่ะอืมค่ะพรุ่งนี้ไปไหนไปอุดรค่ะอ๋อทีนี้มันอ๋อบ้านแฟนค่ะอ๋อค่ะที่ไปหาคุณแนนคุณแนนก็อยู่นอนเนย ทีนี้มันจะผ่านเส้นกาลสินด้วยจริงๆก็ไม่ไม่ได้ผ่านเส้นนั้นแต่ว่าได้โอกาสก็เลยจะแวะไปดูพี่พิธภณฑ์โศพที่วัดป่ามัชิมาวาะคะ่ะป้าจย์ก็ดีค่ะดูสัจ ธ, ธรรมอริยสัจเกิดเกิดตายค่ ะ, คะก็ก็พอได้เห็นบ้างใน y o u t u ู e แต่ว่าอยากไปดูของจริงดูค่ะพอดีมีโอกาสก็เลยเดี๋ยวแวะเข้าไปดู เป็นเป็นภาพแลวเป็นเป็นของจริงเป็นของจริงคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าใน y o u t u ู e ที่ดูเป็นศพที่แบบแห้งดำแล้วอะคะ่ะไม่ใช่ศพใหม่ๆก็จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ไปลองดูก็ดีก็ดูไว้ว่านี่คืออาไคืของร่างกายของเราวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ อดูแลต้องย้อนกลับมาที่ร่างกายเราค่ะร่างกายเราเราไม่กลัวเราไปกลัวร่างกายของคนอื่นทำไมร่างกายของร่างกายเรามันก็เหมือนกันเปี้ยทุกอย่างมีอาการเท็จสองเหมือนกันอถ้าเป็นคนศพใหม่ๆพระอาจารย์บอกว่าก็เหมือนคนนอนหลับใช่ค่ะก็แล้วแต่เราจะมองใช่ ถ้แต่ศพด้วยถ้าเป็นดูศพที่ผ่าผา อ, อกผ่าพร้อมออกมาให้ดูมันก็ไม่เหมือนคนนอนหลับนะยมีมีศพขาด้วยค่ะอืมอันนี้เป็นได้เห็นความจริงว่าภายในร่างกายของเรา ม, มีอะไรบ้างมันถูกคั่วห่อด้วยเนื้อหนังเนื้อมั น, นอมองไม่เห็นเราคิดว่าร่างกายที่เป็นแท่งทึบๆใช่ไหม <laughs> ดูแล้วมันจะได้หูตาสวรรค์ขึ้นก็ดีเราไปไปเปิดดูนมนดูได้หลายามิตดดิวกนกานดูร่างกายดูคมไม่ถึงไม่กาะนำดูการสามสิบสองดูคำมมอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงวันหนึ่งก็ต้องสู่สู่ความตายหรือว่าเป็นแค่ดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นตุกตามันสินค้าที่เขาผลิตตุกตาขึ้นมาก็ทำรรมาจาก วัดถูกตรงๆร่า ง, งกายก็ผลิตมาจากวัดถูกส็นดิตน้ำลงไปไม่มีตัวเราเอยู่ในร่างกายอือ้าอาจารย์มีเทคนิคในการพิจารณาไหมคะถ้าเราเห็นศกแบบนี้เราต้องพิจารณาประมาณไหนค ะ, ะอาจารย์เพื่อให้น้อมเข้ามาหาตัวเราเพราะว่าร่างกายเราคับร่างกายเขาก็เหมือนกันทุกอย่าง ร่างกายเขาเกิดแล้วร่างกายแเรวก็เกิดร่างกายเขาแก่เจ็บตายแล้วก็ต่อไปก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเขาก็ ต, ต้องไปนอนเหมือนเขาอทุกคนเน่ยร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วมันก็ต้องเดินไปสู่ความตายในที่สุดไม่มีใครยกเว้นอ่ค่ะโอเคค่ <laughs> ะ จะน้อมนําไปปฏิบัติคะ่ะแล้วนึกบ่อยๆนึกถึงความตายบ่อยๆมันจะได้ไม่หลงจะได้ไม่ประวาตตอนนี้มันยังหลงยังมึนเมากับความสุขของในโลกนี้อยู่มันไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันก็จะจบลงเราจําเป็นต้องจําภาพศพนั้นมานึกตลอดไหมคะก็ดีจําได้ก็ดีเวลาเห็นแฟนจะได้นึกถึงเวลาเขาเป็นสร้างศพว่าเป็นยังไง เวาเห็นคนที่เรารักเราหลงเราจะบอกว่ามันน่ารักตรงไหนวะค่ะอาจารย์ไหมค่ะค่ะอาจารย์ค่ะทิวค่ะขอบพระคุณค่ ะ, ะไปที่คุณแนนอุดรธานีเดี๋นำมัตก <c oughs> าค่ะอาจารย์ไม่มีคำถามคะ่ะโอเค ไปที่คุณสุภัพตาแบกกระเป๋าผิดแปลกหน่อยดูไม่น่าจะเป็นคุณสุภัพตาอ๋อกลับมาพิการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกอยู่ที่นี่ก็เลยลูกอยู่ที่ไวโอมิงเจ้าค่ะมาเยี่ยมเอคุณแม่ปสามีแล้วก็คุณพ่อสามีนะคะคริสต์มาสก็เลยอยู่ที่ไวโอมิงเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะคมีพี่นั่งหลายคนไปเยี่ยมมากหรือ อ๋อทางฝั่งสามีมีเจ้าค่ะมีเจ้าค่ะมีเยอะพอควรเจ้าค่ะคุณพ่อเขาเข้าอายุเข้าเก้าสิบสามเจ้าค่ะก็เลยลูกหลานก็เลยมามากันค่อนข้างเยอะปีนี้เจ้าค่ะก็ดีคือคดีนะเจ้าค่ะแต่ว่าคุณเขาแยกคุณแม่เขาก็อยู่คือเขาอยากกันที่มาอยู่บ้านคุณแม่เขาเจ้าค่ะก็เลยอยู่เป็นแค่สามคนก็มีคุณแม่แล้วก็สามีแล้วก็ลูกเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวพ่อเขาเลิกงานก็จะ ไปเยี่ยมคุณพ่อเขาเจ้าค่ะะก็เลยมาทําหน้าที่อยู่เจ้าผัดไปผัดมาสลับไปสลับมาอทําหน้าที่ทั้งโลกเพื่อนทาไปยังอยู่กับเขายังอยู่ในสังคมอยู่เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคกลับไปที่คุณจันนี่แบงค์เขาคุณจันนี่แัน กลับนำ้ำมาสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะโอเคอิในไนที่วันมาริการาที่ว่ากลับนำ้ำมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปหน้าไปไหนมา อ, อืมก็อาทิตย์ที่แล้วนะั่นก็มีบทบทมีบททดสอบเข้ามาก็ฟังอย y o u t u ู e อยู่นะพระอาจารย์แต่ว่าก็แบบ แบบเทเก้งกับเ ก, บเก็บเก้งกับเป๋าเลยแต่ว่าก็ไม่ทุกเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่า mm hmm. แบบตัวเองนันจะจะไปปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแบบว่าถ้าไม่ทํากลัวจะคล่องในใจเพราะเป็นนั่งสมาธิเราไปปฏิบัติแล้วกลัวจะคล่องในใจหนะ่อยคพระอาจารย์ก็เลยทําก็ก็เลยก็บอกน้องว่าอย่าทําอย่างนี้อีกนะทุกคนเขาทุก เพราะว่าเงินทุกบาททุกสกตางค์กว่าจะหามาได้นั้นมันได้ยวยยากลำบากเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแต่ว่าถามว่าอายุสี่สิบแล้วเลยยังทำตัวอย่างนี้ก็ยังหรือว่ายังไม่ค่อยดีนะครับพระอาจารย์ก็แสดงว่าการที่ได้เล่ฟังทำแล้วก็ได้ปฏิบัติทำอยู่ตลอดเวลาทำให้เราวางใจลงครับพระอาจารย์จากเหตุการณ์น้าท่วม ว่หนูมาอยู่โรคมาอยู่บ้านใหม่แล้วพะอาจารย์ก็มันบ้านสูงแต่ว่าก็น้ำท่วมรอบบ้านถนนก็น้ำก็ท่วมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปก็ประมาณสักห้า้อเมตรได้ค่ะไม่สามารถจะเดินไปที่หน้าบ้านท้องแถวหน้าหน้าวัดได้จนกระทั่งประมาณสามโมงเช้าก็ไปถึงก็ฮะว่า อะไรตกใจว่าฮะแบบน้ําท่วมหมดเลยค่ะพระอาจารย์น้ําท่วมหมดเลยแถวนั้นน้ําท่วมท่วมเตี้ยงบ้านทุกเกือบทุกบ้านทั้ว่าไม่เคยท่วมก็ท่วมหมดเลยท่วมก็เสร็จแล้วก็ยกได้เท่าที่ยกได้ก็จบแค่นั้นตอนนี้ก็ยังล้างพืน้นยังไม่เสร็จเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมก็ เ, เป็นเรื่องธรรมดาใช่ค่ะะอาจารย์ก็ใจวางลงได้เยอะเยอะมากแบบ แบบก็นั่งยิ้มอยู่กับตัวเองว่าเฮ้ยทําไมเราใจได้เยอะแตว่ว่ามันมีแบบทดสอบอย่างหนึ่งแล้วก็อาจารย์ไฟดับไฟดั บ, ดบแล้วก็น้ําไม่ไหลเพราะวันนั้นก็ทํำข้าวต้มขึ้นมาแล้วก็เหมือนลักษณะข้าวต้มกุยก็ทําให้เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าเรากินแค่สองมื้อนะครับอาจารย์ไปรู้ว่าไฟดับไปรูแล้วไฟดั บ, ดบแล้วก็ข้าวของโบูดแน่พรุ่งนี้ ก็ตู้เย็นก็ผมก็ใส่ตู้ตเย็งไม่ได้ประมาณสองตุ่มเกลือว่าอาจารย์ไปฐานข้าวก็เลยว่าเอา้าแล้ว่าเอาเอโอเคแต่ว่าพอวันพุ่งพอวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีข้าวกินก็ต้องต้องเดินค่ะอาจารย์ต้องเดินไปบ้านแม่ประมาณสักสองกิโลได้แค่นั้นแหละเรื่องเดินไปบ้านแม่ก็ไปทานข้าวบ้านแม่ก็นี้ก็ก็โอเคไปมาแล้วแต่ว่าน้ํายังไม่ได้ละ น้ำยังไม่ไหลค mm. ่ะพระอาจารย์ก็อาศัยน้ําฝนอาบเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังน้อมนําคําสอนมาปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานะคะพระอาจารยา์อย่าไปทุกข์กับมันได้ก็ดีนะเจ้าค่ะไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ า, าปกติแล้วกลัวอย่างหนึ่งก็กลัวทักกลัวทักมากแต่พอเราเจอเขาแล้วก็แต่ว่าบางครั้งก็เราก็ทําร้ายก็เหมือนกันเพราะว่า ตัวทากเนี่มันจะขึ้นถึงหูขึ้นถึงคอขึ้นบางทีก็กัดจมูกบ้างเลยบ้างบางทีแล้วก็จําเป็นแล้วพระอาจารย์ก็ได้แต่ขอโหสิกรามกับเขาแบบว่าบางทีตัวท่ากว่าตอนน้ําแบบนี้มันมากระ บ, บัว่าอะไรน่อยนะคนข้างๆบ้านเขาเลี้ยงหัวเลี้ยงกับพระอาจารย์้วอย่าไปฆ่ามันพยายา ม, จ, มยปปยจับมันปล่อยไปปล่อยที่อ่นจับมันปล่อย เจ้าระอาจารย์ลูกไม่มีคำถามนะ okay. นน ค, นนนคนนนะพระอ า, าจารย์โอเคสาธุเจ้เจ้าค่ะอคุณนิสาเอวอเป็นคนิสากลับนมัสการค่ะค่ะอาจารย์ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะค่ะอาจารย์อืมค่มไมมมมะ ไ, าาไม่มีคำถามอะไรค่ะอาจารย์ม่ีคาถามอ่ายังก็ ทำไปฟังไปก็แล้วกันถ้ามีอะไรก็ถามได้ค่ะพระอาจารย์ก็ยังอยู่ oh. ในความสงบเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์อ <Yeah. S 2> ไม่มีย่อหย่อนค่ะไม่มีเชศกาลค่ะพระอาจารย์ม <laughs> ไม่ไปไหนค่ะอยู่แต่บ้านค่ะ mm hmm. กลายเป็นคนเหมือนกับติด mm hmm. บ้านค่ะพระอาจารย์ธรรมะเป็นเทศกาลเราเทศกาลธรรมอะอปฏิบัติธรรมทุกวันก็ไม่รู้ว่าลูกคิดผิด คิดเหมือนคือรู้คิดว่ามันก็เหมือนเดิมค่ะมันไม่ได้ดีใหม่นั้นก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์แต่ละวันก็เหมือนเดิมของเขาอาจารย์ไม่ได้รู้สึกว่าค่ะอาจารย์ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่ค่ะเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามันเคยแบบฉลองเทศกาลไปแบบแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนเดิมอะค่ะอาจารย์ได้ไม่ได้อะไร สู่การปฏิบัติทำไม่ไนดะ้ค่ะพระอาจน้อมนําปฏิบัติค่ะขอให้พระอาจารย์ภาตุขันแข็งแรงนะคะส า, าสาธุเจค่ะสาธุค่ะอดีตนุตานุการเชิญอยู่ที่ไหนเคยเข้ามาค่ะเข้ามาครั้งที่สองค่ะพระอาจารย์กับนัมัสการค่ะบ้านอย่ที่ไหนชมบุรีรค่ะอําเภอเมืองค่อมีอะไรไหม ไม่มีค่ะพระใจเข้ามาฟังธรรมค่ะยังไม่มีคําถามค่ะโอเคอย่างไปที่คุณพัฒราพรพัชราพรทายหน้าพัฒนานบเข้ามาได้บอกเข้ามาได้ไงครับนามสการเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ได้หายไปไหนเจ้าค่ะฟังอยู่ข้างนอกตลอดเจ้าค่ะไม่เพียงแต่ว่าไม่ได้เข้ามาในห้องสูงแค่นั้นเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะ เนาะครับกลับนอสกการ์นะครับอ่ามันนี้ปิดแทบมาปิดปิดปิดปิดเฉียงปิดเฉียงแล้วมันป็นมันมันมันฟื้นแบกกลับมาโอเคได้ยินไหมครับได้ยินนะ้โอเคใช่ครับปิดเทอมปิดคริสตัดครับมีอะไรไหมหลวงพ่อเจ้าขา อ่าลูกฟังทำหลวงพ่อมันน่าจะสองสามวันที่แล้วที่ลูกได้ยินว่าการเปลี่ยนแปลงสมาธิให้เป็นนิพพานนะเจ้าค่ะลูกก็เลยค่ะลูกก็เลยถามห ล, ลวงพ่อว่าว่ า, วาคืออย่างไงเจ้าค่ะสมาธิมันก็เป็นนิพพานชั่วคราวเนี่ยเวลาจิตสงบมันก็เป็นนิพพานชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมากิเลส ท, ที่มันไม่ได้ตายด้วยกําลังของสมาธิมันก็ออกมาทํางานต่อ นี่จะทำให้เป็นนิพพานทามวัก็ต้องต้องฆ่ากิเลสสิ่งที่จะฆ่ากิเลสได้ก็คือปัญญากิเลสก็คือความยุ่โลบความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องมองว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ิ่งอยากได้แฟนได้แฟนแล้วมันทุกข์นะไม่ใช่จะได้ประสุขอย่างเดียวเพราะแฟนเขาก็มีเปลี่ยนได้ บางวันเขาอาจจะดีบางวันเขาอาจะไม่ดีก็ได้าบางวันนะบางวันเขาอาจจะอยู่บางวันนะเขาอาจจะตายก็ได้เพราะว่าเ ม, มื่มีการเปลี่ยนแปลงมันความสุขที่ได้จากเขาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปให้มองอย่างนี้มองมทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นปมันทุกขทุกพ่อมันไม่แน่นอนทุกอย่างมันเป็นไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมดาห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาค่ะ ถ้าเราไม่อยากจะทุกก็อย่าไปอยากได้อะไรแล้วก็ตัดความอยากไปเนี่ยถ้าไความอยากก็จะไม่มีเหลืออยู่ในใจเพราะไม่มีความอยากอย่างนี้อย่างนี้ใจใจก็จะสงบเบี่ยงเท้าวอนโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้โดยที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือความอยากของเรานีงเจ้าค่ะหลวงพ่อข้าพระยาเจ้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะ Mm hmm. แล้วหลงพ่อเจ้าค่ะแล้วก็มีหนึ่งอันนี้คือเมื่อเช้านี่เองก็คืออ่ามันสัตว์เลี้ยงอะเจ้าค่ะก็คือมันมีมดแล้วก็แบบมันรู้สึกแล้วลูกก็พยายามแบบเหมือนเก็บเขาออกไปข้างข้างนอกไม่คือไม่อยากให้คนที่บ้านนั่ตื่นมาแล้วก็แบบมามาม า, มาฉี่จาหรืออะไรเพืเขาแล้วลูกก็แบบ พยายามเก็บเขาออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันรู้สึกว่าเหมือนเราอับแซแอ่เหมือนเราแบบเหมือนเราไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นหมดอย่างเงี้ยมันมันเหมือนแบบเอ๊ะทําไมแล้วลูกก็บอกเนี่ยมันอยู่ใครอยู่มันอยู่เบียดเบียนกันนะอยู่ก็ออกไปนอกเราไม่ได้อยากทําร้ายคุณนะเราเราพยายามที่จะจับคุณออกไปข้างนอกหรือว่ามันอาจจะพาดไปถูกเขาตายมั่งอะไรเงี้ยแล้วลูกรู้สึกอับแสแล้วลูกก็ร้องไห้แล้วทําอีก ก็บอกว่าอยู่เป็นอะไรทาไมอยู so why, why, why? Problem, ่ร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็บอกเราไม่อยากเห็นเห็นมดแล้วเราแล้วเจ้าข่าหลวงพ่อแล้วเรารู้สึกเออวันนี้วันผ่านไวยทาไมทําไมทําไมอย่างเงี้ยเจ้าข่าหลวงพ่อแล้วก็รู้สึจิตมันรู้สึกเศร้าเศร้าเศร้าเศร้าร้องไห้แล้วพอเข้ามาเข้าพข้ามาชมหลวงพ่อก็รู้สึกว่าเออกลับมากลับมากลับดีขึ้นมาแล้วเจ้าข่า ก็เวลาทำอะไรก็ต้องระมัดระวังถ้าเราทำอะไรกับสิ่งที่มีชีวิตต้องระมัดระวังอย่าไปทาให้เขาเสียชีวิตเจ้าค่ะหว่อแล้วก็ถ้าทำไม่ได้ก็ปล่อยมันอยู่งั้นไปตามบุญตามกรรมของมันไปถ้าไปจับมันแล้วทำให้มันเสียชีวิตก็อย่าไปจับมันแล้วก็พยายามอธิโจหาจับเขาออกไปไปปล่อยข้างนอกหาหาหาแปลงหรือหาไม่ป็ไ การมันใส่อะไรแล้วก็ค่อยเอาไปปล่อยข้างนอกก็ได้ลูกก็ ก, ก, ก, ก็ก็ทำอย่างนั้นนะสักคเพราะ mm hmm. ว่าไม่อยากให้ไม่บ้านหรือคนสวนมาถึงก็ฉีดสเปรย์เลยอะไรเงี้ยเ mm hmm. จ้าบ่าก็พยายามเราแต่จิตมันรู้สึกมันเศร้านะเกิดเราไม่อยากเห็นไม่อยากอย่างเงี้ยชบ้บานหลวงพ่อ mm hmm. ก็ยังอุเบก ต้องต้องอุเบกขาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่อุเบกขาแล้วก็ต้องมองว่ามันเรื่องของกรรมจากตั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมทําให้เข้ามาเกิดเป็นอย่างนี้มารับกับข้อกรรมอย่างนี้ถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยไปช่วยไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยไปเจ้าค่ะเราไม่ต้องมาทุกข์ทุกข์ไปก็ไม่เลยเปลี่ยนแปลงอะไรเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะกับสาถุเจ้าค่ะ มี<ร>าอย่าทำกก็แล้วกันแต่เห็นว่ามัิบากกรรมมันทำให้เป็นอย่างนี้เราก็อย่าอย่าไปทํำบาป ท, ทากรรมอาจจะได้ไม่นอนมาตกแบบในที่นั่งแบบเดียวกับเขาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจาค่ะอับสัตแล้วค่ะมีอะไรไหม ไ, ไม่มีแล้วเจ้าค่หลวงพ่อขอไม่ได้กลับมาเมืองไทยนานแล้วนะก็ก็ไม่ได้กลับแต่ว่าก็น่าจะ คิดอยู่สามีก็ไปกับวิญญงก็ก็ยังคิดอยู่เพราะว่าเราบ้านใหม่แล้วมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วเขาก็ซีเรสซีเรสแล้วเราก็แบบถ้าเรไปเราเหมือนแบบทิ้งใหค้คิดคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ก็เลยกะ ว, ว่าเออเดี๋ยวให้ให้บ้านนี้ช่วงซัมเมอร์เข้าตลาดไปก่อนแล้วก็อ่ากลับบ้านฝรั่งเศสแล้วก็ลูกก็ก็น่าจะกลับเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเจ้าค่ะก็เลยช่วงนี้เขาก็ยังเป็นช่วงที่มันมันมันก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ซัมเมอร์นี้เราต้องต้องต้องเอาเข้าตลาดให้ให้ให้ลูกค้าเข้าเข้าเข้าพากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ<ม>เขาก็เครียดแล้วอะไรที่ไม่เรียบร้อยดูก็แบบจะไปก็เหมือนเราจะทิ้งเขาคนเดียวเหมือนเขาเครียดเลยเจ้าค่ะดูก็เลยก็เลยยังยังไม่ใส ก็บอกอยู่ก็ไปอยู่ก็ไปก็ปยังคุยสัลลิโออยู่ค่ะเราจะกลับเรียนหน้ากันไม่หรือะไรอย่างเงี้แต่ก็เขาก็ยัก็ไม่มอีอะไรก็เพีงเยงแต่ทานดูเฉยๆไ ด, ไ, ได้กลับได้ก็กลับกลับไม่ได้ก็ไม่ต้องกําบไมเป็นไรก็ก็อยากกลับค่ะคิดถึงห<ช>ลวงพอ่อแล้วก็ไม่ได้กลับหลายปีสิค่ะเดี๋ยวก็ดูอะไรนิดนึงก็คงจะกลับจ้ะค่ะ ขอให้หลวงพ่อมพลาดขันแข่งแรงเจ้าค่ะขอให้ทำใจสงบนะอย่าไปทุกข์อะไรทุกข์ษัตรย์เจ้าค่ะทุกข์ษัตรย์เรลียนทุกข์กาทำไมทุกข์ก็ทุกข์กเปลี่ยนเท่าไม่ได้เ้าก็ต้องเป็นหลวงข้ออย่างนั้นจะทุกข์กับแมวทุกข์กับมดอยู่แันว่าหลวงพ่อแพ้ไม่ได ลูกแผลไม่ตายเอเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพอมีสุขภาพร่างกายพัดขันแข็งแรงเป็นล้มโพลมไส้ให้ลูกหลานไปนานนานนะเจ้าค่ะสาธุครับอันี่เดว่าว่าวูกันว่าววุภีเูกันนะน้ำการนักวชาการพอาจารย์เจ้าค่ะ แว่ามาเลยได้ยินได้ไหมเจ้าค่ะอืะอาจารย์เจ้าค่ะอะเรื่องสงสัยอะเจ้าค่ะว่าคืออย่างที่บ้านนะเจ้าค่ะเขาจะมีการฆ่าหมูกันอย่างนี้เจ้าค่ะพอาจารย์แล้วเขาจะมาถามที่บ้านว่าเขาเนี้ยหมูไห้อย่างนี้เจ้าค่ะพอาจารย์ถ้าที่บ้านเขาบอกว่าเอาก็คือมีส่วนในการร่วมฆ่ากันใช่ไมเ้า่ไม่มีเขาฆ่าแล้วเขาฆ่มาถามแล้วแล้วเขามาถามเราก่อนฆ่าแล้วก็บอกแน่ว่าแล้วฆ่าแล้วมันก็ไม่มีส่วนนะ เขาประถมก่อนขาเจ้าค่ะอาจารย์แล้วทันี้ถ้าทางก่อนข้าวบอกไม่เอาแต่ว่ามาจากที่ไหนถาเนื้อหมูมาจากที่ไหนถ้ายังถ้ายังไม่เลดกถ้ามันตายแล้วก็เอาถ้ามันยังไม่ตายก็ไม่เอาพอดีว่าที่บ้านเขาสั่งกันอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าญาติๆเขาเขาถามพอดีว่าแม่ก็เลยแบบว่าเอาอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะไปสั่งก่อนก็จะค่าถ้าสั่งก่อนก็มีส่วนรวมเลย แล้วอย่างถ้าถ้าลูกก็ไปกินเนื้อหมูด้วยนี้ลูกก็มีส่วนด้วยเหมือนกันไม่ไหรอถ้าเราไม่ไ ด, ถไได้ถ้าเราไม่ได้สั่งมันเราอยู่ในครอบครัวเราเป็นคนตกกระไดพอจนเราเป็นดาอ่ก็มาทําให้เรากินแบ่งให้เรากินั้นเราไม่ได้บาปนะคะเพราะว่าที่บ้านก็ยังมีการค่ายเจ้าค่ะอาจารย์อก็อย่ อย่าไปทําเองแล้วอย่าไปสั่งให้บอกคนอื่นให้เขาทำมันบาปแต่ถ้ามันตายแล้วแล้วก็แบ่งมาให้เรากินนี่ไม่บาปนะแต่เขาเพื่อนเจ้าไม่มีคําถามเลวเจ้าค่ะอาจารย์ขอพระอาจารย์มีท่านแห่งแดงเจ้าค่ะจ้าสาธุไปคนสวัรค์ชนายัน กราวณมรสการพระอาจารย์แล้วค่ะ mm hmm. มีข้อสงสัยเรื่องว่าขนาดที่เรากําลังมีสติในการทํางานนะเจ้าคขะอาจารย์มันก็มีคําพูดออกมาเหมือนออย่างอย่างเราพิจารณาเรื่องความตายเนาะค่ะมันก็ก็เหมือนเหมือนเหมือนพูดมาในใจอะคะ่ะว่าจะตายแล้วเหรอใกล้จะถึงเวลาแล้วเหรอแล้วมันก็มีอีกอันนึงพูดขึ้นมาว่าไม่อยาก ไม่อยากให้เหมือนกับไม่อยากให้ตายเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพวกนี้เป็นเป็นความคิดปรุงแต่งใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าอยากม่อยากตายหรืออยากไม่ตายก็เป็นกิเลสความคิดปรุงแต่งที่ไปในทิศทางของกิเลสเจ้าค่ะเอพ ถ, ถ้าถามเฉยๆนี่ก็ยังไม่ได้เป็นกิเลสมันก็อาจจะเป็นธรรมะเจ้าค่ะพอโยมได้ยินตรงที่บอกว่าไม่อยากตายเลยโยอมก็ไม่คือ พอคำพูดคนเหมือนเหมือนคนที่พูดว่าไม่อยากให้ตายเลยเขามีความเสียใจโยมก็ไม่โยมไม่มองไม่มองอันนั้นก็กลับมาทำงานปกติแล้วก็มีสติไปแต่มาคิดย้อนหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นซึ่งมันมันเร็วมากเจ้าขาอาจารย์ก็ไม่ค่อยๆมาคิดทบทวนอันนี้อันนี้ทาถูกไหมนะคะทำอะไรทบทวนอะไร ทบทวนว่าคําพูดว่ามันจะตายแล้วเหรอแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้ตายเลยอันเนี้มันเป็นคือมันเป็นเสียงที่อยู่ในในใจเราเป็นโยมเข้าใจว่าตอนแรกโยมไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรพราะในขณะที่โยมกําลังทํางานในเรื่องที่ว่าเราจะเราจะเก็บของย้ายของแล้วก็อันไหนที่เราไม่ใช้เราก็จะทิ้งไปน้นนาๆขณะที่เราทํางานตอนนั้นเราก็มีมีมีว่าเนี่ยพอเรา ถึงเวลาเราตายแล้วเนี่ยอะไรก็เอาไปไม่ได้เพราะอาตามที่พระอาจารย์สอนว่าไม่ให้ยึดไม่ให้ไม่ให้ใหปล่อยไม่ให้ยึดอะไรเลยที่ที่พระอาจารย์สอนคุณหมอณัฐวุฒิเมือ่อเมื่อเมื่อข่าวก่อนโน้นเจ้าค่ะโยมก็เอามามาคิดตามแล้วพอในขณะที่เราทํางานแล้วก็เหมือนกับกํากับในการทํางานไปด้วยมันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยเราเราต้องทิ้งอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็ทิ้ง เราก็ไม่ต้องเก็บไว้มันก็เลยมามีความคิดในในขณะนั้นว่าเหมือนกับจะไปแล้วเหรอจะตายแล้วเหรอแล้วก็มีอีกอันนึงมันมาบอกว่าไม่อยากให้ตายเลยในขณะที่ที่มันซ้อนกันอย่างเงี้ยแวบเดียวเจ้าขาอาจารย์พอพอพอณตอนนั้นก็มาคิดย้อนหลังว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดหรือมันเป็นอะไรขึ้นมาก็ก็ว่าจะถามพระอาจารย์ตั้งแต่ส o o ข่าวก่อนละ่ะ พอดีไม่ได้เข้าเจ้าค่ะอาจารย์ก็เลยมันก็เป็นความคิดปรุงแต่งของใจเรามันก็คิดไปเรหลองร้ายเรื่องร้ายเล่าได้แล้วมันปรเด็นนั้นอยู่ที่ว่ามันเป็นความคิดแล้วมันประเด็นอยู่ว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ลเราจะเราจะตายหรือไม่ตายมันก็ต้องตายอยู่ดีคิดยังไงมันก็ไม่พ้นความตายเเจ้าค่ะก็คือเอาล เราก็ต้องหนังแน่นอยู่กับความจริงอย่าไปอยู่กับความคิดทวามคิดมันคิดได้ร้อยแปดธันตการเจ้าค่ะอก็เตรียมตัวตายเหมือนกับว่าเราเตรียมตัวว่าอันไห น, หนที่ถึงมันที่อาจารย์สอนว่าใ ห, ให้ให้เตรียมตัวตายก็เหมือนกันกับเป็นมรณามรณานุสติใช่ไหยเจ้าคะ่ะอาจารย์จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีอย่างที่พุทธเจ้าบอกหายใจเข้าแล้วหายใจออกก็ตายแล้ว มันจะมีมีประเด็นอะไรตรงนั้นเจ้าค่ะคือในระหว่างที่กําลังกําลังคิดเจ้าค่ะอาจารย์ฟังพระอาจารย์เจค่ะในโลก ใ, ให้อยู่กับความจริงตรงนั้นเนี่ยอยู่ว่ามันมันต้องตายเนี่ยเน่ยโลกอวยกวามตายไม่ได้แล้วมันจะคิดยังไงก็เรื่องของมั น, ปนไปเลยเรื่องของเรื่องของความคิดถ้าความคิดมันไม่ตรงกับความจริงก็อย่าไปสนใจมัน ก็กลับกลับเข้ามามีสติอยู่กับปัจจุบนันเจ้าค่าะอาจารย์ใช่ไหยเจ้าค่ะก็กลับมาอยู่ความจริงเนี่ยมันต้องตายวงวนความตายมันไม่ได้เจ้ค่ะอืมในเงี้ยต้องไ ป, ไปต้องไปไปวิเคราะห์อะไรเลยไปวิเคราะห์ความคิดทำไมอ๋อเจ้าค่ะพ้าแนวความคิดแล้วมันยังไม่ได้มันยังไม่ยังไม่มันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่มันไม่มีปัญญาไม่ได้คิด เป็นทางปัญญาเนี่ิดไปทางเพเออ้อเชือเพ้อฝันเพ้ออะไรไปคก็อย่าไปสนใจมันแล้วเอาความจริงไปยืนยันกันมันมีคิดนยังไงก็ครูก็ต้องตายอยู่ดี อ, อ่ะเห็นไหมในอะคะขอขอบคุณเจ้าค่ะอาจารย์สาธุสาธุเจ้าค่ะ เอย่าไปวิเคราะห์ความคิดมันไปวิเคราะห์มันทําไมเพื่ออะไรใช่ไหมเจ้าคะไม่เพียงแต่ว่าเอ๊ะมันมันมันเป็นอาการของของความปรุงแต่งหรือเป็นอาการของจิตอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์โยมก็ปรุงแต่งทั้งหละความคิดกับความเคิดเนี่ยสังขารสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งมันมันจะเป็นอะไรที่มันจะคิดไปทางไหนคิดไปทางเพ้อเจ้อแล้วคิดไปทาง ความจริงนะเจ้าค่ะหรือคิดไปทางกิเลสที่ไปทางกิเลสก็ยังไม่อยากตายยี่ไม่อยากไม่อยากตายนี่ก็เป็นกิเลส น, นะเจ้าค่ะออกยังไม่อยากตายนี่เป็นกิเลสเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้ามันถึงเวลาจะตายแล้วไม่อยากตายมันก็เป็นกิเลสใช่หไหม มยังไม่ตายมันไปอย่างไม่ตายมันก็มันก็ไม่ต้องมีมีประโยชน์แล้วเมื่อมันยังไม่ตายไปอย่างไม่ตายแมันมันก็ไม่ตายอยู่แล้วอืมมันเป็นจีเล็บจ้าพระจานทร์ผมเข้าใจแล้วค่ะว่ามันมองมันมองไปว่าเอ๊มันเป็นมันเป็นอะไรขึ้นมาเป็นใจคิดหรือเป็นเป็นเพราะตอนนั้นมันแค่แวัดเดียวเข้ามาเจ้าค่ะอาจารย์มันไม่มีอะไรหรอกมันใจเราคิดทั้งนั้นนอะ ต่งนี้อยู่ในใจว่ากเกิดจากความคิดของเราเท่า <c> น <oughs> ั้นเลยเลยคิดว่าธรรมด า, ามาคิดแทนเราตามที่พระอาจารย์สอนบอกว่าถ้าเห็นอะไรไม่ต้องไปดูมันให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มีสติปัจจุบันโยมก็เลยไม่ทันได้มองก็เลยยัง เ, เ, เราไปมองทำไมถ้าไม่ทันไม่มองแล้วยังเอามาคิดถึงตอนนี้ได้ไง <c oughs> เอ๊ะ เ, เ, เพราะาำถูกไหมที่เราเรากลับมาเราทำไมเราไม่ได้ดูจนมันจบพระธรรมพระจ<อ>านทร์ ก็มันจบไปแล้วก็มันมันดึงมันกลับมาทำไมมันก็เป็นอดีตนะครับผ่านไปแล้วเราไม่อยู่ปัจจุบันนั่นเองเราไปไปอดีตกับมันน่นเองไม่ดึงมัมาถ้าอยู่กับปัจจุบันนั้นก็ผ่านไปแล้วจบไปแล้วก็ไม่ไม่ต้องคือพยายามพยายามอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปย้อนหมายถึงว่าถ้าต่อไปพระตาปอดต่อไปเกิดเหตุการณ์นี้อีกเราก็ไม่ต้องไปมองมันใช่ไหมเจ้าค้าประจำเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ มีสติมีสติอยู่ตลอดก็มันผ่านไปแล้วใช่ไหมถ้ า, าจะฝึกสติเราก็ต้องอยู่ในปัจจุบันเนจะ้าค่ะถ้าไปอดีตล้วก็คิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเจ้าค่ะข้อเจาค่ ะ, คะอาจารย์เอามาแล้วต้องการยึดความคิดปรุงแต่งอืมอายุเฉย ให้อยู่ในปัจจุบันแล้วตอนนี้ใจเรามีความคิดปรุงแต่งที่เราที่เราเผลอปล่อยให้มันคิดหรือเปล่าถ้ามันคิดก็โล่นเป็นความคิดปรุงแต่งแล้วก็อย่าไปสนใจมันคิดแล้วก็ผ่านไปแค่นั้นเองเจ้าค่ะน้อมนําไว้ปฏิบัติเจ้าค่ะพระาอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะอย่าลืมอาจารย์สายทิพย์ หลายไปนานนี่เราเนี้นหลายอาทิตย์เลยนะเก่าในมัส ก, การพระอาจารย์ก็ค่ะงานท่วมหัวค่ะพระอาจารย์แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วว่าจะเข้ามาค่ะแต่แต่มันแบบร่างกายไม่ไหวก็เลยไม่ไม่เข้าดีกว่าค่ะพระอาจารย์คะหนูย่างเขาเลขห้าเรียบร้อยค่ะเหลือเวลาในโลกนี้อีกไม่นานอีนองนานเลยค่ะอ่าแล้วค่ะเรกว่าอีกไม่นาน <c oughs> ก็ไม่แน่มันอาจจะมันนาฬการมันอจะหยุดได้ทุกเวลามันจำเป็นจะต้องมาหยุดที่เลขแปดเลขเก้าใช่ไหมค่ะกาไว้สักเลขแปดมีกาเอาด้วยค่ะกาไว้ต่านเลขเก้าท่านเลยก้าผมไว้เลขแปดแต่มัาจจะถานมันอาจจะหมดก่อนนั่นก็ได้นะค่ะทั้งหมดก่อนจริงๆจะดีใจนะคะพรอาจารย์ดีใจได้ก็ดีเกียดอยู่ทําให้ท right? ุกได้ก mm ็ด hmm. um yeah, mm ีท hmm. ําให้ทุกได้ก็ด so ีค่ะ nice วันนี้เพื่อนเพิ่งมีข่าเพื่อนเสียชีวิตค่ะพระอาจารย์เพื่อนชันยัรุ่นเดียวกันะรุ่นเดียวกันค่ะรุ่นต่มัธยมค่ะเสียชีวิตเป็นมะเร็งกลับแล้วก็วันนี้รูมเมย์เป็นโควิดก็คือได้ยินเสียงไอเลยบอกพี่ไปตรวจหน่อยไหมคะอันนี้แจ้งมาว่าติดเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็ช่วงนี้ค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรแน่นอนไม่คิดอะไรอย่างั้น ค่ะใช่ค่ะเหมือนอะไรก็ก็เปลี่ยนได้ทั้งได้ทั้งเขาทั้งเราค่ะทั้งร่างกายและจิตใจด้วยค่ะพระอาจารย์คนคนึงเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีแล้วก็เอาไปนอนกับเขาไม่ได้ไม่เอาไม่เอาดีกว่าตอนนี้เหมือนเหมือนปรงปรงได้เยอะขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนอะไรที่จะมากระแทกใจเราจากพฤติกรรมเดิมๆที่เราเคยเสียใจเราก็ อว่าแล้วะเห็ <laughs> ในตายรั่งแล้วมันก็โป่งได้เดิมเริ่มยอมรับได้ในพฤติกรรมที่ที่จริงๆในถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงไม่พอใจอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็เป็นของเขาอยู่อย่างงี้ถ้าเราเราก็อพอใจมันเริ่มยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้หรือว่าเขาจะพูดกระแทกมาแบบนี้ก็ <laughs> หูท่อนลงค่ะพระอาจารย์มไม่เอาไม่รับแต่ก็ไม่ได้มไม่ได้ฉัดอะไรเขาอะไรอย่างนี้ยค่ะพระาาอาจารย์ก็สบายขึ้นค่ะ อหนูนั่งสมาธิวันหนึ่งมันยังไม่เป็นสมาธิค่ะพระอาจารย์แล้วอยู่ๆมันก็มีคําพูดหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาบอกว่าอไม่มีสิ่งนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ยค่ะหรือไม่มีอะไรต่างๆแบบนี้ได้ไหมแล้วมันก็สงบเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบถ้าเราไม่ไม่อยากมีอสิ่งนี้มันเหมือ น, ม, นมันเหมือนบสิ่งนี้จําเป็นกับชีวิตของเราไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เอาคํานั้นมาถามเวลาที่เราอยากจะได้อะไรเราก็ถามว่า ไม่มีสิ่งนี้ได้ไหมเฮ้ก็ได้จำเป็นไมไม่ไม่มีแล้วจะตายไหมค่ะมันเหมือนโผล่ขึ้นมาแล้วก็จิตก็สงบจากจากคาคํานั้นขึ้นมาค่ะพระอาจารย์แล้วก็รีบเขียนไว้เล้ก็เอามาสอนใจครับพระอาจารย์ไม่เขียนในคราวหน้ามันไม่สงบหนูหนูเอาไว้สอนใจตัวอหญกไรของมันต้อเป็นธรรมชาติอ่าค่ะไปถึงว่าตอนนั้นก็ปล่อยไปให้ธรรมสมาธิไปเรื่อยๆคราวหน้าทํำตันอยาก อยาให้มันโผลขึ้นมามันไม่โผลมันก็ไม่สงบสิอืมค่ะเหมือนอยากให้สงบก็ <laughs> ไม่สงบค่ะมทำเป็ น, นทำเหมือนกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแล้วอย่าไปอย่าไปเอามาอาอืยาามาใส่ในปัจจุบันปัจจุบันเราต้องการทำเคลียร์ให้มันว่างค่ะอืม เหมือนเราอยากจะพยายามจําอารมณ์เดิมมันก็ไม่ไม่ได้เลยค่ะเราไม่คนรจาอารมณ์เดิมปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมค่ะเราไม่น่าที่ฝึกสติให้รู้เฉยๆอยาให้คิดปรุงแต่งอิอที่หนูเข้าเข้ายากน่าจะเป็นเพราะว่าเข้าแบบเดิมคือเข้าแบบไหนเพราะว่าใจเรามันไปพวงใช่ไหมคะพระอาจารย์หนูก็มัวแต่แบบเอ๊ะคราที่แล้วที่มันเข้าได้นี่แบบไหนนะมันไม่อยู่ปัจจุบันมันไม่อยู่ในอดีตเนี่ย อืมค่ะอืมน่าจะใช่หนูก็พยายามคิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเข้าแบบไหนเหมือนเราเคยได้ยินว่าให้มันเป็นแบบว่าสีคือต้องจำให้ได้ว่าเข้าแบบไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือความเข้าใจผิดใช่ไหมคะอาจารย์ก็มันเข้าใจแบบไหนได้อยู่เข้าแบบไหนได้อยู่แต่จะไปก๊อปปี้อาลมที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นคือให้เรารู้วิธีการเข้าว่าเข้าอย่างไรเช่นใช้สติ ไปควบคุมความคิดตรงแต่งมาให้มันคิดตรงแต่งอันนี้คือวิธีการอนนเอามาใช้ใหม่ได้อาจาอจะวจะให้ให้นึกถึงคำที่เราเคยเคยเข้าได้ด้วยคำด้วยคำนั้นมันไม่เอามานั่งพูดจนวันตายมันก็ไม่เข้าหรอกค่ะหมายถึงจำจำแบบเทคนิควิธีได้แต่ไมจำสิ่งที่มันเกิดตรงนั้นแล้วเอามา ามาแปะอะไรเงี้ยก็ปีกับเพสนี่ก็ปีกที่หน้านั้นมาเพสที่หน้านี้มาแปะที่หน้านี้มันแปะไม่ได้หรอก<ช>มันทําไม่ได้ค่ ะ, ะค่ะพระอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเราใช้ชีวิตตั้งแต่วันนี้จนเราเสียชีวิตก็คือพยายามให้เราไม่ไม่ทุกข์ใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็หยุดกับปัจุบ<า>ันปล่อยวางได้ไม่ทุกข์ก็เพราะเราไปยึดไปติดไปอยากกับสิ่งต่างๆมันเลยทําให้เราทุกข์ ค่ะถ้าเร า, เราไม่ยึดติดไม่มีความอยากม า, าก็ยังไม่ทุกข์ถ้าเราเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อเหมือนใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างไปเรื่อยๆ จ, <น S 1> จะไดไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่อะไรอรู้ว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเกิดรัางอยู่แล้วดับไปก็คือรักษาใจเป็นกลางไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วก็ ก็จะสบายใช่ไหมคะพระอาจารย์อ่ามันก็สบายตั้งแต่ยังไม่ตายต <c oughs> อ, อ่หนูเข้าใจแล้วคะ <g én alan> ่ะเพราะว่าหนูก็คิดตั้งแต่วันนี้จนถึงตายมันต้องมันน่านานใจยังไงนะ่าที่จะเป็นใจที่นนที่มันที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยอ้ามันไม่ถูกกับเวลามันก็ไนผ่านแะ้วนิ พ, พานตั้งแต่ยังไม่ตายออค่ะก็คือรักษาใจให้เป็นกลาง ไม่ทุกกับสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีนะคะพร ะ, ะ อ, ะ อ, อาจารย์ทุกอย่างทั้งั้งในทั้งั้นอ ก, ท, นอกทั้งของภายนอกทั้งของภายใ น, ใ น, ท, น, ท, น, ในที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ทปัมจันรับรู้ให้รู้เฉยเฉยค่ะค่ะค่ ะ, คะน้อมรับไปปฏิบัติให้ให้มันได้ไปเรื<น>่อยๆคะ่ะพระอาจารย์อย่าไปทุกข์กับอะไรค่ะจะพยายามค่ะ้องทำดูค่ะ สาธุค่ะวันนี้วันนี้ทุกับอะไรบ้างหรือยังวันนี้ทุกนิดหน่อยแต่ว่าปล่อยได้เหมือนปล่อยปล่อยได้เร็วค่ะเพราะจะเหมือนเหมือนมีอะไรที่มันสะกิจใจแล้วก็อ้อนเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนเหมือนเรียนรู้สิ่งที่จะมากระทบใจแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าจะทุกแต่มันต้องไม่ทุกเลยมันต้องไม่ทุกเลยยังง่ายงยังเช้าไปค่ะไม่ทันการค่ะ ถ้าฐานการเราต้องรูนะ้เร่องนั้นนี่เป็นทุกข์นะอย่าไปยุ่งกับมันนะอืมอืมค่ะพระอาจารย์ก็คือพ อ, อนนี้อันนี้คืทุกข์นะปล่อยทุกข์นะปล่อยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะพระอาจารย์มันจะไปจับปั๊บมันต้องบอกมันทุกข์นะอย่าไปจับมันอืมอย่าไปยุ่งกับมันหมืนถ่านไฟถ่านไฟร้อนๆก็จะไปจับมันจับแล้วมันไหม้มือเราอืมของทุกอย่างก็ไป็เหมือนถ่านไฟรูปเสียงกินรตบลดบทัฏพ คนนั้นคนนี้สิงานที่นี้มันเหมือนก้อนไฟอะไรเงี้ยนะก็คือไม่เอาอไม่เอาไม่แตะแต่แตะแล้วมันเผามันมันไหม้มือเราค่อไม่เอาแล้วก็ไม่ไม่แตะ <laughs> ไม่แตะด้วยโ อ, อ้แอบยากอยูนะคะพระอาจารย์แต่จะพยายามคะ่ะ <laughs> แต่เข้าแล้วเข้าเข้าใจค่ะพระอาจารย์เนี่ยหนูจะพยายามทํา S <S ให้ได้จะได้ไม่ทุกข์ค่ะอาจารย์อืมอืมค่ะโอเคาอาจารย์ ค, ค่ะสาทุค่ะคุณมาลีต่อมาลีวุธาก <c oughs> ารหลานพ่อค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะหลานพอนนี้หยุดจงหยุดนี่จะไปไหนหอบ้าไปเข้าวัดค่ะหลพ่ออืม่<ด>สุขใจนะ มันตั้งบอกดีค่ะหลวงพ่อมันไม่แต่ก่อนมันรู้สึกว่าชีวิตมันร้อนรนแต่พอหันมาผมรู้สึกว่ามันมันไม่ร้อนเหมือนแต่ก่อนมันเราอยู่กับมันได้แล้วแต่ว่าความทุกขมันก็ยังนมีแต่แต่ว่าอยู่ได้แล้วทุกทุที่เกิดจากกิเลสแล้วทุกที่เกิดจากขันมันคืออะไรถ้าเป็นทุกที่เกิดจากขันมันก็เป็นเรื่องธรรมดา จากกิเลสค่ะหลวงพ่ออืมจากกิเลสกปแล้ว อ, อันนี้ก็ต้องแก้ไขค่ะแล้วก็ถ้าถ้าทุกข์จากขันมันก็เป็นเป็นปกติค่ะหลวงพ่ อ, อแต่ว่าแต่ว่ามันเหมือนมันมันไม่มันไม่รุ่ ม, มร้อนเหมือนแต่ขอนที่ยังไม่มาแบบนี้อืมเพราะใจเราไม่ทุกข์ด้วยมันก็เลยไม่ร้อนค่ะแล้วก็ คือตอนนี้มีถ้ามีเวลาว่ามันจะมันจะถามาทางนี้เลยพอหนูก็จะไม่ว่างสำหรับที่จะไปทำอย่าง อ, งองนะื่นเนาะหนูก็จะไปเข้าวัดแล้วก็ไปสนทนาเรื่องการปฏิบัติอย่างเงี้ยพอคือไปถามในสิ่งที่ที่เราติดขัดหรือว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงเพื่อเพื่อจะเดินไปใหถึงปลายทางอย่างนี้นแล้วก็ พอดีวันหยุดแม่หนูหนูจะไปรับที่ที่บ้านนะคะแม่พ่อท่านจะเน้นแบบเน้นปฏิบัตินะแม่พ่อหนูก็เลยจะลองไปดูะคะ่ะทีนี้หนูหนูขอถามว่าออถ้าการการปฏิบัติถ้ามออีสติสมาธิกับปัญญาสามตัวนี้มัน กำลังมันต้องเสมอกันไหมคะหลวเพ่าหมายถึงว่าจะตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปไม่ไม่ได้ใช่ไหมคะหลวมันก็ต้องสมาธิก็ต้องเต็มร้อยของมันปัญญาก็ต้องเต็มร้อยของมันทําหน้าที่ได้เต็มทีมแต่ถ้าทําสมาธิอย่างเดียวไม่ทําปัญญาสมาธิเต็มร้อยปัญญามันไม่เต็มปัญญาได้สูงนี้มันก็ไม่ได้ แ ต, ตอนต้นตอนฝึกขัดตอนต้นนี่ต้องทำสมาธิก่อนให้มันเต็มร้อยก่อนแล้วค่อยมาทำปัญญาให้มันเต็มร้อยอีกทีหนึง่งเพราะมันสองอย่างมันทำมันทาพร้อมกันไม่ได้ทำสมาธิเราต้องการหยุดความคิดทำปัญญาเราต้องใช้ความคิดถ้ามันทำพร้อมกันมันก็จะขัดกันอตอนต้นเราต้องมาฝึกสติหยุดความคิดก่อนให้ได้สมาธิก่อน เราสามารถหยุดความคินได้เข้าสมาธิแล้วขั้นต่อไปก็เอาความคิดที่เราอยุดนี้มาสอนให้มันคิดไปทางปัญญาคิดไปทางใจละอันนี้ตรงปัญญาตรงตรงที่เราหันใจให้มันเห็นใจักตรงนี้ค่ะนะันมันไม่ใช่เฉพาะที่เรานั่งดูกายเราอย่างเดียวหมายถึงว่าถ้าเราเจอสิ่งที่มากระทบ เหมือนเหมือนมีข้อสอบเนี้ยเราก็ต้องได้หมดใช่ไหยคะได้ทั้งทุกอย่างทุกอย่างเป็นตายร่างหมดถ้าเราปล่อยวางมันก็ไม่ทุกถ้าเราไม่ปล่อยเราก็จะทุกแล้วแล้วตรงตรงที่ดูหนูดูชิปของหลวงตาค่ะให้ท่านบอกว่าตัวรู้หรือไอชิปรู้ตรงเนี้ยคือตัวมหาภัยมันหมายถึงอย่างไรคะ แล้วถ้าพูดถึงจิตอวิชาเลยไม่ตัวรู้ที่มีอวิชชาอยู่ครอบงำอยู่ยังไม่เป็นตัวรู้ที่อิสระไม่ได้เป็นแค่เป็นตัวรู้ที่ที่บริสุทธิ์อัศจรรย์ที่เล็กคือยังยังไปหลงยึดอยู่ใช่ไหมคะอะยังมีความอยากมีความยึดติดยังหลงกับยังไม่เห็นตายรักหนึง ในตัวของมันเองตัวมันเองก็เป็นตายรักอมองไม่เห็นะแต้องั เ, องเห็นทุกอย่างเป็นตายร่างหมดแต่ไม่เห็นตัวมันเองก็เป็นตัวมันเองก็เป็นตายรักก็คือถึงถึงจะรู้แต่มันก็มันก็ไม่เที่ยงอมันมเป็นตายรักเลยถ้ า, ถาท่านท่านสมมติว่าหนูรู้หนูเข้าไปถึงความสงบแล้ว แมันก็บอกว่าความสงบก็ไม่เที่ยงอย่างมันก็รู้แบบนี้แล้วมันก็หยุดอย่างนี้ค่ะหลวงพ่ อ, อถ้เอย่างไปหยะมั น, นมันจะสงบมันก็ไม่สงบก็ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันถ้าถึงขั้นนั้นแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องรักษาใจให้มันสงบอยู่เรื่อยๆไปก่อนอ วป็นไงเราคิดว่าเราสามารถอยู่ได้อยู่กับอะไรก็ได้อยู่กับความสงบก็ได้อยู่กับความไม่สงบก็ได้แล้วก็ต้องพยายามทำอย่างนั้นถ้าเรายังอยู่กับความไม่สงบไม่ได้เราว่าต้องอาสัยความสงบอยู่ไปก่อนแต่พอพอปฏิบัติแล้วค่เหลวงพ่อถ้าเกิดเราเราเข้าไปได้ถึงเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเรามีปัญหาหรือเราลังคาญอะไรเลยค่ะแล้วว่ามันเหมือนมัน อยู่ได้มันรับได้อย่างนี้ย น, นั่นแหละตัวมันง่ามันรับกับทุกสิก่ง ท, ท, ทุกอย่างให้ได้สงบก็ไม่สงบก็รับมันได้ใช่ค่ะได้ยังต้องสงบอย่างเดียวถึงจะแน่ว่ามันก็เป็นกิเล็แล้วค่ะคือคือก็ก็จะภาบทั้งก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่สงบแล้วอันนี้สงบอย่างนี้ยค่ะรับอยู่ได้อย่างนี้คะอืม ก็อย่าไปทุกข์กับอะไรอย่าไปทุกข์กับความไม่สมองอย่าไปทุกข์กับความสมองสมองก็ได้<ว>มไม่สมองก็ได้ไม่ไม่ทุกข์กับมันค่ะหลวงพ่อแล้วในช่วงนี้เป็นเทศกาลนะคะหลวพ่อหนูเป็นคนเดียวที่หนูไม่ได้ไปร่วม ง, งานมันมีความรู้สึกมันแบบมันแตกต่างมันเหมือนกันก<ห>็ไปคนต่างมันกันจะเป็นเหมือนกันได้ไง ก็ไปทางเวียนว่ายตายเกิดเราไปทางยุติการเวียนว่ายตายเกิดมันก็คนละทางเหมือน ค, คนหนึงเขาไปใต้เราไปเหนือมันจะไปทางเดียวันได้ไงใช่ไหมก็คือค่ะก็คือก็รู้สึกว่าเออมันมันมันเหมือนแบบเออมันเ บ, เบาบไปหมดเลยเราเราไม่ไปทางนั้นนะคะหลวงพ่อมัน ม, มันก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เหมือนคนอื่นแต่ก็ อ, อยู่ได้ค่ะหลวงพ่อคือไม่ไปเลย ในร่วมไม่ไม่ไปกิจก ร, รมสังสรรค์กินเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้หนไม่ได้ไปหนูเฝ้าเฝ้าฝ่ายพอพอหมดเวลาหนูก็กลับื่าก็ถูกต้องแล้วเพราะเรารู้ทางไหนเป็นทางที่ดีทางไหนเป็นทางที่ไม่ดีนะทางที่ไม่ดีเราก็ไม่ไปทางที่ทําให้เราทุกข์เราก็ไปตรงนั้นแล้วจะมีคนเหมือนประมาณว่า ปฏิบัติเนะี่ยแล้วเห็นอะไรบ้างได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยข่าหลวงพ่อเนี่ยหรือพ่อไมอ่คืออธิบายไปเขาก็ไม่มไมเข้าใจใช่เราไม่โน้นสนใจตัวใครตัวมันก็จะเห็นอะไรก็เร็วเข้าไปไม่เกี่ยวกับเราเรารู้ว่าเราต้องการจะเห็นอะไรก็พอเ ร, เ, เราต้องการเห็นกิเลสเ้าต้องเห็นกิเลสตายหนะ้าหนึ่งนี่แคาต้องการเท่านะ ก็พยายามตอนนี้ก็พยายามดูว่าสิ่งที่มันมากระทบจิตใจเราอะเราจะแสดงความรู้สึกมันมันมันสามารถที่จะลดกิเลส ต, ตรงนี้ได้ไหมเรายังเรายังรู้สึกว่าทีมันยังมีอะไรซ่อนไหมในจิตใจอย่างนี้นค่ะแล้วก็ก็พยายามดูก็ต้องดูไปเรื่อยๆค่ะแล้ว บางที้มันเป็นกิเลสบางที่เราไม่รู้ว่ามันกิเลสก็ได้ต้องสักพักหนึงถึงจะได้สติได้ปัญญาว่ามันกิเลสอยู่วันนี้หนูก็มีประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อเดี๋ยววันจุนนี้ก็ไปเข้าแบบก็อย่าประมาทก็แล้วกันคอยเข้าดูใจอยู่เรื่อยเรือยดูว่าใจเราทุกข์กับอะไรหรือเปล่าเข้าหลวงพ่อโอเคนะขอบพระคุณหลวพ่อค่ะ ขอบคุณค่ะไปที่ฝรั่งเศสคุณเดวิดกับคุณยินดีบอนสัวบอนจู For this new year to come. My God, yeah. He said that b e l l Nene, ball Nene, and ball s o n อ Te, t e a c h ั r น a l l Nene is what? Ball Nene is the New y e a r ์ e v ้ h a ป p y New Year. Okay. ่ e h a u s e when this is the old year, r i า h t Teacher. And เด e n t h ป new y e a จ c o m e ไ i ้ won't see the จา a c h e r เ e c a u s e w h วันพุธหน้าขึ้นเครื่องกันาานะคะแล้วกลับกลับค่ะกลับไปทางานต่อคนะ่ะกลับไปทำเอกานะได้วีซนะ่าเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์ถามว่าได้วีซ่าเรียบร้อยยังรอเ็วเรียบร้อยนะโอเคได้ปีสองปีเหรอไม่ห้าปีสครับเป็นสองปีครับสองปีนะนะัะโอเคชาวบาจะต้องมาทำวีซ่าที่เมืองไทยมนะันขอวีซ่าเข้าไทยมนะัน ح ح> าสาธุกาสานและก็ขอให้อยู่ใกล้ท่านอาจารย์นะคะจะได้เดินทางง่ายๆนะเพราะมีหลายที่ท่าท่านอาจารย์กม็มีอะไรก็ขอให้ท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงอ่ะค่ะก็ไม่ีความมีความสุขนะทั้งปีเมาเก่าทั้งปีใหม่นะสาธุกาสานสาธุขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอ่าสูงค่ะสาธุสาธุจ้ะ ไปที่คุณมนเนี่ยจำเนคุแม้วรืป่าเนคุณมา อ, อยู่ที่ไหนพอพ่นที่ทาจารย์พัหน่อยนะเสียงเบาอยู่ที่ก ร, ร, รุงเทพนะโอเคพิดีการนั่งสมาธิเจียนาก็ดีครับพอีผมมาเวลานั่งสมาธิผมชอเจีนาเรื่องเรื่องาาิาคินาปัจเจกครับว่ามันตรงกับชีวิตตัวเองครับ อ่าเรื่องความแก่ว่าผมเราก็ขาวแล้วปันเราก็ไปที่แล้วนั้นเราเยียวยาแล้วอะไรครับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับมันไม่เทีย่ยงเป็นถูกครับความเจ็บไข้ก็รักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ปล่อยวางเรื<ม>่องความตายก็มันเป็นมันเราต้องตายแค้เพราะความตายเป็นของเที่ยงครับส่วนความพัฒนาก็ก็ใช่ครับเพราะว่าเราอยู่ต้องพัฒนาจากครอบคัวคนรัก แล้วก็ทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้เพราะว่าเอ <'s> เราตายไปแล้วสิ่งที่เราไปไม่ได้ครับส่วนเรื่องกรรมว่าเรามีกรรมในของตนคือทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คือเราจะไม่ให้บาปเกิดขึ้นอิสรเราจะเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเราจะมาสาร้างบุญในถึงขอบด้วยการให้ทานต่างๆรรค์ติสและภาวนาทุกวันแล้ ว, ร 5, 5, 6, วลเราก็จะเพียรรักษาบุญบุญที่เกิดขึ้นแล้วให้เสือ่อมครับก็ไปอก็ไปเพียรอะ ที่เจรนานไปวนมาครับเพรว่ามันมันก็ดีครับมันเป็นความความคิดถึงมาแทรกครับแล้วก็คนเหนื่อยก็กลับมาป่วยอียแล้วครับถ้คนเินหยุดหยุดพักเป็นเพราะพักไหวเข้าสมาธิไปครับถ้าไม่เข้าสมาธิใจก็จะไม่มีกำลังเมื่อหยุดคิดเวลาจะเข้าสมาธิต้องหยุดคิดไม่พิ จ, จารณาอเพษฐะอัจจะเว ให้อยู่กับพุทโธพุทโธคาเดียวลองผมลองปกติเพิ่งทได้สองวันกับเรื่องเรื่องานั่งของพิจาในระนะครับนั่มาองไปที่อะไรครับแต่ปกติจะอยูคนเดียวครับไม่ไม่ออกฝัพิจารณาเสียงคุนค่อนข้างจะเบาไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคกติจเพ่อกกษาข่ากติจะพิจาฉพาะครับเวลา่ ถ้าพิจารณาใจก็จะไม่แน่ใจก็จะไม่สงบถ้าอ้ากใจสงบต้องหยุดพิจารณาหยุดคิดใจกรรมริการพุทโธคำเดียวแทนต้องขออภัยด้วยเนะไม่ก็ได้ยินเลยไม่ได้ยินครับ เอาจ่อใกล้ๆปากเลยไม่ได้ไม่ต้องพนมือหรออ๋อเอามาใกล้ๆปากเลยเอ่านพูดชอบอชอบชอบพิจารณาอภินันปัจิบิขขณะครับแล้วมาันตรงก็พิจารณาได้แต่มันไม่มันต้องทำสมาธิด้วยไม่ครับนี่มันจะไม่มีกำลังที่จะปล่อยวางอครับที่จะปรองได้แต่ว่าก็เริ่มมันไม่ต่อตา้าน เอมันไม่ต่อต้านแต่เรายังไม่รู้เวลาเจอของจริงมันจะเป็นยังไงยังไม่เจอของจริงในในเรื่องเรื่องอความเจ็บไข้ก็เจอถ้ารักษาได้รักษากันษได้ก็ปอ่อยแต่เดลมันเจอจริงจริงมันมันจะมันจะมันจะเฉยได้หรือเปล่าครับแล้วมันจะทรมาร์ทลายทรมาร์ ่ปีที่แล้วนี่ผ่าตัดไปเป็ น, นครีบครับผาตเด็บหัวไหล่ขครับผ่าตัดปีแล้วผ่าตัดปีไม่หายก็เลยไม่ไม่รักษาต่อครับก็ปล่อยป่อยจนมันอยู่ดีมันก็หายเองอืมก็ผมไม่ไม่สนใจนะครับอยากจะเป็นก็เป็นอยากจะแตะก็แตกอยู่ดีเขามาหายไปเองก็ดีถ้าเราไม่ทุกข์กับมันได้ก็ดีครับแต่ว่า I อไอ้เจ็นหัวไหล่ก็ผ่าตัดต่อเองครับอืม โอเคมีอะไรอยากจะถามไหมยังไม่มีครับเอ่อก็พอดีสองวันที่เลยเมาไม่ได้ยินเลยนะไม่ได้ยินเลนะพอดีพิ่งสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเอาเอาเรื่องการพิจารณาเข้าไปในสมาธิครับก็เลยสุกใยก็เลยเข้ามาถามอาจารย์ดูครับมันต้องแยกกันทําต้องแยกกันทําทําสมาธิกับการพิจารณานี่ไม่ควรทําพร้อมกัน ถ้าพิจารณามันก็จะมันใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบครับคได้เระโยชับทําสมาธิก็ไม่พิจารณาเอาจากสมาธิแล้วไปพิจารณาทางปัญญาได้ครับผมสาธุครับไม่มีอะไรแล้วครับโอเคสาธุคุณปางว่าอะไรสีราชาเรับ วันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะเข้ามาเติมปัญญาเจ้าค่ะอ่าเลยนะมีได้เติมมังมหมเรามีหลากหลายเรื่องหลายเรื่องเลยกันนะในส่วนของที่ที่ช่วงนี้หนูจะมีมันห <c oughs> นูเบื่อง่ายค่ะเวลาหนูคุยกับพนักงานแต่หนูก็ฝืนคุยอะคะ่ะเบือกต่นเน้หนูเบื่อก็เป็นวิภาวะต่างๆค่ะเหมือนเราเราอยาก เราอยากปีกวิเวกหรืออยู่คนเดียวเนี่ยหรือว่าจะไปฟังธรรมเนี่ยเอคราวที่แล้วเอาแม่ไปด้วยก็ก็รู้สึกว่ามันปึดอัดพอไปคนเดียวแล้วมันสบายไงแต่ว่ามันก็ต้องพยายามทําให้มันดีที่สุดในละเวลาทำก็อย่าไปทุกข์กับมันถ้าตอจำเป็นจะต้องทํำก็อย่าไปทุกข์กับมันีเมันเป็นการเห็นกับตัวไหมคะถ้าเราแบบจะทําอะไรคนเดียวหรือ อ, อะไรเนี่ยแม่หรอกเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการการที่ดีที่สุด ทำอะไรคนเดียวได้ในที่สุดแต่ถ้าเรายังอยู่กับโลกยังมีภาระภาระผิดชอบเราก็ต้องทําหน้าที่ของเรากับคนอืน่นให้เหมาะสมโอหนูก็พยายามเหมือนแบบเล่นละครเหมือนที่พระอาจารย์บอกอะจะอย่าไปทุ่มกับมันอย่าไปทุ่มกับมันอย่าไปเกิดความเบื่อหน่ายขึ้มนมาหนูอาจจะตึงเกินไปเพราะว่ามีคนก็เบอกว่าหุกลาดนุก ป, ปฏบิบัติทำหรืออะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะหนูจะค่อนข้างตึงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยแบบเล่นอะไรเงี้ยค่ะ ก็มันก็มก็ไม่เป็นไรเรื่องเงเรื่ไม่เล่นมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนปฏิบัติธรรมอยู่แล้วมันไม่ได้ทานไม่ชอบเล่นอะไรกับใครเห็นแต่ว่าแต่ว่าเราบางทีไม่รู้จักอทำตัวเราให้มันเหมาะสมสำหับเวลาที่เราอยู่ในในในในเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับคนเราก็ต้องอย่าไปเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ต้องเป็นคนคนในคนหนึ่ง คนมีความรู้สึกเนกคิดมีความรู้สึกต่อความรู้สึกของคนอื่นเก อ, ะ อ, อจะหนวดจะทําให้มันเป็นสายกลางแต่ว่าในในใจก็จะรู้ค่ะว่าว่าเร า, าเบื่อเราอยู่คนเดียวเราก็ตึงได้ตึงแน่แต่<ะ>เราอยู่กับคนเดียวเราก็ต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวให้มันเหมาะกับกาลเทศะไม่ใช่ใครก็น่าไม่ใช่เจอใครก็หน้ามึื่อตึงโมเบคาไปอย่างเดียว มันก็ต้องใชเมตตาแทนเวลาเจอคนนึงเวลาหนูหน้าเวลาหนูหน้าหน้าเฉยเแล้วจะบอกว่าหนูหน้าหน้าบึ้งหนูก็บางทีหนูต้องฝยิ้มอ่านั่นต้องยิ้มเวลาเจอคนต้องยิ้มให้เขาเมตตาเมตตาความจุนโลกเจ้าค่ะถอยู่คนเดียวก็คนเดียวก็อย่าไปยิ้มแต่ยิ้มคนเดียวก็หาว่าบ้าไม่เจ้าค่ะค่ะวันเสาร์อาทิตย์นี้หนูไปวัดเจค่ะอ่าอเคค่ะเจ้ อ่าไปที่ใต้หวันคุณคันชิดมีอะไรไหมยังไม่เปิดใหม่คุณการชิดเปิดใหม่เปิดตรงไหนครับเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอ่เปิดอีกแล้วเปิดไหม่ตรงที่คุณกดเมื่อกี้เนี่ยคุณกดสองทีมันก็เลยเปิดปิด ติดหรือยังครับ้ติดครับอการาบนมาสการครับป้าอาจารย์วันนี้วันพระครับตั้งใจเข้ามาฟังพระอาจารย์ครับจะไปไงได้ได้ฟังเรื่อยังได้ฟังหลายๆเรื่องครับแล้วก็ฟังที่พระอาจารย์บรรยายดำมาก็ผมก็ได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันครับอืไปใช้ในงาน แีทำให้ชีวิตเรามีความรวมเย็นเป็นสุขมากก็นนะับก็ดีขึ้นครับโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีครับน้อกกับพ่าจารย์ครับท่ากันพ่าจารย์แข่งเร็งครับกับสาทุสาทิวิตัวนี่คุณหน่อยชายนิศคุณหน่อยกอธมอ เม no ื่อกี้เห็นเอาแล้วเอาเอาเอาล้านมานั่งอยู่ด้วยไม่ใช่กลับไปเลยวครบชั่วโมงว่าเหรอครบแลค่ตบตีกันโอ้โเด็กไม่ค่อยนิ่งเจ้าค่ะเขานั่งสมาธิไม่ได้ก็ปวดขาเ้าก็ขยับเจ้าค่ะก็เป็นธรรมดาเด็กก็เป็นเด็กจนต้องปิดต้องแบบดุกันเลยเจ้าค่ะถึงถึงหยุดเจ้าค่ะต้อง ใช้ยาแรงเจ้าค่ะวันนี้หน่อยไม่มีคําถามค่ะพอาจารย์เดี๋ยววันจันทร์หน่อยไปใส่บาตราอาจารย์นะเจ้ะค่ะวั น, วนที่หนึ่งพอดีเจ้าค่ะวันปีใหม่เลยโอเคเอาเถอะไปที่ลักเสมอคุณปุย้ยตามบนมัสการค่ะพอาจารย์อ่าว่ายังไง สบายดีค่ะแต่ว่าโดนกิเลสเล่นงานนิดหน่อยไม่ได้กิเลสอะไรหรอก็เกี่ยวกับการตื่นนี้แลหละค่ะเพราะว่า ม, มันไม่สบายด้วยช่วงนี้แล้วลูกมาก็บางทีตื่นมาแล้วแบบเราตั้งใจตื่นแล้วนาฬิกาปลุกแล้วแต่แบบว่ามันเหมือนกับมีตัวอะไรใหญ่ๆมันมาทับตัวแล้วแบบทําให้เรานอนไปแบบคือคือในหนึ่งอาทิตย์น่ะเจอสองวันทุกทีแล้วแบบพยายามแบบ เลยเลยหาวิธีแก้ไขด้วยตัวเองพระอาจารย์โดยแบบทีนี้บอกกับตัวเองว่าทีนี้ตื่นขึ้นมาแล้วถ้าเกิดขี้เกียจนะลุกขึ้นไปอาบน้ำเลยเอาน้ําลดัดรดหัวเลยอืมแบบมันเราจะต้องแค้ตัวขี้เกียจออกให้ได้อย่าพระอาจารย์ได้คนรจะทำลายมันเพราะมันเป็นฆ่าสัตว์ตัวใช่โยมรู้ว่ามันไม่ใช่มารหรือว่ามันไม่ใช่คนทําอะไรโยมไม่ได้คิดแบบว่าไปทางอะ<ม>อ่าอ่าอาวิชาหรืออะไรนะฮะ<ม>แต่โยมคิดในทางความเป็นจริงว่า มันเกิดจากความขี้เกียจของตัวยมเนี่ยแหละที่ว่าเ อ, อตื่นมาแล้วไม่รู้จะตื่นนาะฬิกาปลุกสองสมอันแล้วไม่รู้จะปลุกอะไรอย่างเงี้ยมันยังเกี่ยวกับว่าเอ อ, อากาศเยนเ็นยบ้างเป็นไข้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยมก็เลยบอกว่าบอกกับคนนันมันเป็นกิเลยใช่ค่ะ<ม>ยมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะหาวิธีแก้ใหม่แล้วต่อไปนี้คือลุกขึ้นมาแล้วเอาน้ําลาดหัวเลยแล้วเราต้องแก้ตัวเราเรารู้ว่าน้ํา เราอยู่ในที่นี้มันหนาวเอาน้ําน้ำเย็ยนลาดเลยแบบมันจะได้ปลุกให้มันตื่นาโยมหาวิธีแก้มาหลายอย่างแล้วนะเนี่ยแบบเดือนหนึ่งแล้วย ม, ยมคือในในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยโยมทำดีมาตลอดเลยห้าวันมาเสียสองวันเนี่ยมาจาน mm hmm. อืมก็เลยแบบแต่ทำนะโยมทำทบถ้าวันไหนโยมเกเรโยมจะคือโยมมีหนักสมุดจดเอาไว้ว่าถ้าเกเรแล้วเราจะไม่ออกไปไหนเราจะต้องนั่ง นั่งๆั่งทตลอดแต่อยยมพลาดต้องต้องให้มันเจ็บกว่านี้ต้องเวลาทาอะไรผิดนี่ต้องปรับเอาเงินไปทาบุญใช่ปรับเี่าพันสองพันเลยให้มันเจ็ดไปเลยโยมทอาจารย์เพราะว่าเวลาที่โยมเกเลนี่นะปกติโยมจะหยดหนึ่งหนึ่งยูโรในในในในกระปุกทีนี้ถ้าวันไหนเกเลในหยบหยอดห้ายูโรเลย S <S เอดถ้าวันไหนแบบนั่งสมาธิไม่ถึงนี้เราต้องหยอดเราต้องยอ่อส อ, อ, อนให้แบบคือมันต้องแก้เหมือนกับพูดภาษาไทยก็เรียกว่าดัดสชนีน่ะชคือดนใช่มันมันไม่ใช่คำ<อ>ใช่มันไม่ใช่แบบคือเราไม่ได้เราต้องขี่ยืนเรายืนอยู่บนลกของความเป็นจริงคือมันไม่ใช่อวิชาหรือมันไม่ใช่การกระทําหรืออะไรหรอกมันเป็นตัวเรานี่แหละนะฮะโยมคิดว่านะฮะ แโยมก็นั่งสันดนเป็นสายสันดาของเราใช่โยมก็นั่งสมาธิซึ่งซึ่งมันก็นิ่งค่ะนิ่งแล้วเรารู้สึกสดชื่นค่ะโยมก็จะพยายามพยายามผักลันไปเรื่อยๆโยมจะมากลับพราะกคุณมากบางครั้งคิดถึงความตายก็อาจจะทำให้เกิดความขยันขึ้นมาก็ได้โยมโยมก็คิดว่า ปีนี้เราขยันได้แค่นี้ปีหน้าเราต้องทำให้ได้สองเท่าเพราะว่า อ, อายุเราเกินเกินครึ่งร้อยแล้วและอีกอย่างนึงโยมตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะเดินทางทมเพราะว่าเลยออกัาษามาตั้งนานแล้วโยมก็ยังถือสิ่งแปดอยู่อะฮะโยมก็ไม่ได้หิวอะไรเลยอ่าค่ะโยมก็กราบมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะที่แบบเป็นต้นแบต้นทำให้กับโยม แล้วก็ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแร ง, งนะเจ้าคะ่ะสาธุจ่าขอให้คุณปุ้ยมีแต่ความสุขความสมหวังไม่ลำไม่รวยมีเงินใช้ตลอดชีวิตนะสาธุเจ้าค่ะไปที่คุณคุณหมอสุทัศนีเงินปฐุมทานีไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคงั้นไปที่คุณยศสวัสดีต่อกุงเทพเหมือนกัน มีอะไรไหมวันนี้ครับวัฒการเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้มาราย ง, งานว่าช่วงครั้งครั้งแรกที่เข้ามาหาพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ให้ธรรมะเรื่องอ่าเรื่องโลกธรรมอะค่ะก็คุมครองใจได้มากค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับใครมากไม่ว่าเขาจะชมหรือเขาจะว่าแต่ว่ามันก็จะมีบ้างค่ะพระอาจารย์ที่เผลอรู้สึกตามเขาหมายถึงว่าพอเขาชมก็เผลอรู้สึกฟู แต่ก็ น, นึกได้ว่าเดี๋ยวม่คือวันเด็กเขาก็นินทานี้ว่าก็ใจมันก็ลงมาได้ครับอาจารย์หรือเขาแสดงอาการไม่ดีก็ก็ไม่ถืออะค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าตอนนี้ใจมันสงบขึ้นมากๆมากๆเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าวันนี้ค่ะพระอาจารย์วันนี้มาขอธรรมะใหม่ค่ะพระอาจารย์ขอธรรมะคุ้มครองใจไม่ให้อยากได้เหมือนคนอื่นเขาคือมันเหมือนกับเราอยู่ในที่ก็ เ, เ, เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันของชั่วทางของที่เราอยากได้ เานั้นนี้จําเป็นนะได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปค่ะแล้วพอหมดไปความสุขที่ได้มาก็หายไปความทุกข์ก็ตามอืมาถ้าไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีเสียอะไรใช่ไหะถ้าพอมีแล้วเดี๋ยวมันต้องเสียมาเสียมันก็ทําให้เราเศร้าใจนั่นอย่าไม่มีอะไรมีแฟนแล้วเดี๋ยวเสียแฟนไปก็เศร้าใจ มีลูกก็เร็วเสียลูกไปก็เศร้าใจถ้าไม่มีแฟนก็ไม่มีไม่มีความเศร้าใจตามมาไม่เสียแฟนไม่มีลูกก็ไม่เอาเสียนู้มีอะไรมันต้องเสียไม่ช้าก็เร็วต้องจากกันต้องมีการทักทายกันเป็นธรรมให้คิดถึงความเป็นอนิจจังของทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนอไม่ยังยืนอาจจะสิ้นสุดลงได้เพื่อเวลานาที เมื่อไหร่กั็ไดเนี่ย <Okay. S 1> จะทําให้เราลดความอยากได้ท้าเราไม่อยากจะมีอะไรอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่เขาว่างได้ดีที่สุดเพราะความว่างไม่เป็นพิษเป็นภัยเนีความว่างมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดไม่ดับแตถ้า <Okay. S 1> มีอะไรนะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาค่ะพระอาจารย์ยินดรับยุทธเสริญที่คนเขาทดลงไหลกันโลกธรรมนี่ มันก็มีมีการเปลี่ยนแปลงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นต้นมันก็แนวเดียวกันเนะได้เห็นว่ามีมีเจริญมีเสื่อมกับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะไม่อยากได้อะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเดา๋ยวไปปฏิบัติดูค่ะพระอาจารย์อเราอืมค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอร์จะวัดเจิญคุณหมอ ยงมีเวลาว่างไปปฏิบัติธรรมไหมช่วงนี้เดี๋ยวเขาอาจจะเข้าไปช่วงวันเสาร์ครับอาจารย์ผมเป็นแ e a d i n g C C U อยู่เดี๋ยววันเสาร์เราเช้าเสร็จแล้วน่าจะเข้าไปได้เสวนาทิจจันทร์ครับอาหารได้หาเวลาไปอัานท่านแบบมามครับครับก็เมื่อกี้ฟังฟังอาจารย์ที่สอนเลื่อให้อยู่ความว่างก็คดีครับ แต่ต้นสึกว่ามันปฏิบัติจริงมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะมันเหงาเพราะอยู่ความว่างมันก็จะเหงาขึ้นมาเพราะความอยากความยังมีอยู่ยังอยากสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่คเหมือนเราติดยาเสพติดอย่างเงี้ยอยู่ปราสจากยาเสพติดไม่ได้อย่างเงี้ยับแต่ถ้าเราฝืนบังคับใจยอมยอมทุกข์สักพังหนึ่งเหนียวความอยากที่จะเสพมันก็หมดไปหลันอย่ากนั้นเราก็จะอยู่อยู่อยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้ ครับครับก็ต้องฝืนใจใช้สติใช้สติใ ช, สตใช้สมาธิช่วยครับมันจะหยุดความสั่ใช้สมาธิอืก็เหมือนไปเปลีป่ย น, นชีวิตอีกแบบไหมเปลีป่ยนรูปแบบไปหาความสุขกับความสงบก็คือความว่างเนี่ยความสั้ออว่างคือความว่างครับอันนี้จะไปหาความสุขกับคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ครับเป็นเปลี่ยนเป็นวิธีการหาความสุขใหม่ครับที่ที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัย ครับถ้าไปหาความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนแรกคนนี้มันมันเป็นพิษเป็นภัยเพราะมันไม่เทีย่ยงครับอมจริงๆความว่างมันก็มีอยู่ตลอดเวลานะครับอเืเราเราหนีว่าเราอยาก เ, เอ า, า, เาไม่ชอบปใช่ครับไปไ ป, ไปชอบกว่าไปความสุขผันตาหูล้นจมูกเแต่ว่าเราช่วยเฉยจึงว่างก็มันจะไป ม, มันไปมันพิษกับภัยกว่าสบายกว่าอะย่างเงี้ยแบบนั้นอืม นิ่บาลังบาลังสมหยั่งเนี่ยนิพพานนี่คือเป็นความว่างครับมาซึ่งมีอยู่แล้วความว่างอย่างยิ่งไปไปไปไปเปลี่ยนความหลงให้นิพานไม่มีความอยากไม่มีความอยากได้เลยนิพานมีแต่ความว่างได้นะครับครับก็ต้องลองลองดูสักเยลเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยรเว้ยนี่ก็ไปไปฝึกอยู่ความว่างครับมาอืบ ไปมันก็ดีครับแต่เดี๋ยวต้องรองให้มันยาวๆแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวชงมันหยุดคงได้อย่างไรก็ได้ไปชาร์จแบตครับได้โอเคมีอะไรไหมมีอะไรถามไหมผมผมไม่มีคําถามมาเข้ามาฟังทำครับแต่เมื่อกี้ก็เป็นคําถามมันเมื่อกี้ก็เลยกำลังนั่งนึกแล้วก็เป็นอาจารย์พูดถึงความว่างก็เหมือนกับความว่างก็เต็มแต่ว่าแต่ว่าก็ยังยังเห็นแาบความอยากะที่มัน จะไปอีกทางหนึ่งก็ต้องตกระแสครับต้องฝืนต้องลองลองดูครับไปเที่ยวครอบครัวดีหรือไปปฏิบัตคนเดียวนีกว่าบางทีเขห่วงครอบครัวสงสารเข้าเหมือนกันนะหลาหัวหน้าครอบครัวไม่ครับบางทีคิดเหมือนกันลองมาเข้าเห็นภรรยาก็ปวดหมอนอนจุดันนี้นี่ไปคอยตั้งตาตั้งงานครับ แต่ว่าก็ก็พยายามแบ่งเวลาอยู่ครับนะต้องแหมให้เขาบ้างนะเรายังมีหน้าที่รับความรับผิดชอบกับเขาอยู่อ๋อครับผมครับหนเคครับขอบคครับไปที่เซเลนทอนไรเวลันพระอาจารย์นอยมโยมคะนวมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่ากับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สอนเรื่องความว่างอะค่ะเพราะว่า จริงๆโยมเองก็ติดตรงนี้เหมือนกันนะคะว่าโยมลางงานอาทิตย์นี้ยเราตั้งใจว่าตั้งใจว่าจะปฏิบัไปทำแต่ก็พอถึงเวลาจริงก็ทําได้เวลาเดิมเลยค่ะพระอาจารย์เวลากลางวาันที่เป็นช่วงทํางานเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ทําอ่ะค่ะมันไม่ได้อยากปฏิบัติแล้วพอมาเตือนตัวเองก็รู้สึกถึงความหมุดหงิดทําไมเราหมุดหงิดว่าเราอยากทําแต่ตัวเราเองก็ยังไม่อยากทําอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมีความขัดใจในตัวเอง แล้วก็เวลาลูกอย่างเงี้ยเขาต้องการซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงหน้าเทศกาลเขาอยากเขาอยากจะทําเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะต้องไปซื้ออุปกรณ์ทําเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะก็โยมก็รู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนเรามีความขัดใจขัดขัดเคืองใจว่ามันไม่ได้ดังใจมันเป็นวิภวะตัญหายอย่างที่พระอาจารย์เล่าแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ว่างมันยังไม่มันยังไม่ลงอ่ะคะ่ะ แล้วก็ยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่แต่เมื่อกี้นี้ที่พระาอาจารย์ได้สั่งสอนเรื่องการเจริญสติให้มากขึ้นยุมก็ต้องต้องทำให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็มันยังมีความหมุดหยิดหลุดออกมาแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับใครอะคะ่ะเรากอไม่อยากยุ่งกับใครนา น, านๆก็ยังหยุดหยุดหิดกับอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะมัน ม, มันยังมีอยู่ข้างในอะคะ่ะต้องคอยต้อ ง, ต, องต้องคอยป บางทีบางเวลาเราก็จำเป็นจะต้องพบปะกันทำะายกันก็ต้องําไปต้องยื ด, ยดหยุ่นต้อง flexible อย่าอยา่าอย่าเป็นแขนตรงอย่าไปแข็งทื่โดยพอพ อ, พอเราพอเราหุดหงิดพอยอมหยุดหุดหยิดลูกตัวเองไว้ทำไมเขาอยากได้ไอันนั้นอันนี้เขาแต่เราลืมดูตัวเองว่าอา้าแล้วตัวเราเราทาอะไรอยู่เราไม่ได้มองกลับมามองตัวเอง พอเราย้อนกลับมามองตัวเองเราถึงได้รู้ส um> ึกว่าเออเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเราเราปฏิบัติแล้วเราก็ไปคาดหวังกับคนอื่นโดยที่ลืมย้อนกลับมาดูตัวเองเราต้องเราต้องมีสติให้มากกว่านี้ค่ะก็ต้องปฏิบัติให้มากกว่านี้ค่ะและทั้งหมดท้งต้องมีปัญญามองเข้ามองเราด้ไม่ใช่มองแต่เราอย่างเดียวคิดแต่ใจอย่างเดียวแล้วก็มีความต้องการมีความอย่างเหมือนกันค่ะค่ะ ก็ก็อยู่ก็จะต้องบาลานแบ่งรับแบ่งช่ว้งไงก็ต้องบาลานต้องให้เขามากมาเวลาก็ต้องทาให้เขาบมากเราใช้ความเมตตาให้ความเมตตาไงให้ความสุขกับเขาอะค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่เสียหายไม่ทําให้เกิดการเสียหายอะไรทําให้เขาได้ก็ทําไปมันก็มีความสุขค่ะค่ะค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ วันนี้โยมก็แค่เข้ามากับท่านพระอาจารย์ค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะตไปที่ท่านต่อไปคนวันทนีนวันธนีนอยู่ที่ไหนเข้ามาครั้งแรกเลยเปิดไมคก่อนมุมซ้ายล่างมีตัวที่เป็นไมโครโฟนเนียยังแดงอยู่เลย ที่มุมจอมุมซ้ายล่างของจอเนี่ยมันจะมีตัวไมโครโฟนเราไปกดมันยังไม่ได้กดเลยคุณผู้ชมมันทีนี้มุมมุมซ้ายข้างล่างนะฮะทุ่โอเคพูดได้แล้วอเปิดแล้วค่ะโอเคเชิญกั บ, บน้ำส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอืมอยู่ที่<ม><ม>ไหนจ้าอ๋ออยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ทังน้าใช่ไหที่เข้ามาอ่เป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกนี่เออไม่ได้สอบถามปัญหาอะไรท่านอาจารย์นะคะอ่ค่ะครัเท่วนี้อยากจะเรียนเรียนเออเรียนถามพระอาจารย์ว่าเออเวลาเรานั่งฝึกสติเนี่ยนะคะหลังจากที่เราสวดมนต์ไว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วแล้วก็นั่งช่วงที่นั่งเนี่ยนั่งไปได้สักระยะหนึ่งอะคะ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตน นั่งแล้วมันจะรู้สึกเหมือนยอมจะนั่งบนเก้าอี้เนี่ยนะคะก็ไม่รู้สึกว่าตัวเราเองได้อยู่บนเก้าอี้มือเนี่ยซึ่งอาวางบนตักก็จะไม่รู้สึกว่ามีมืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากหรือไปกระทั่งเอ่อเท้านี่เอาวางพื้นเนี่ย ก, ก็ไม่รู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนแต่ใจิตใจก็เป็นปกตินะคะไม่ได้ไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอันนี้ไม่อยากจะขอเรียนถามหนอาจารย์นะคะ จะขาความรู้ว่าสภาวะอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นยังไงคะ่ะอ๋อมันเป็นาการสงบของใจตรงนั้นใจหยุดหยุดคิดปรุงแต่งหยุดจําได้ไหมรู้มันก็เลยว่างพอเราเริ่มคิดปรุงแต่งมันก็จะมันก็จะไม่ว่างมันจะเริ่มคิดว่าตัวเราตัวเขาอะไรไปสร้นหังจา น, นั้นความคิดปรุงแต่งมันหยุดคิดนะค่ะแล้วเราจะ ต้องพยายามรักษาสภาวะนี้ถ้าเกิดขึ้นอีกเนี่ยนะคะเราจะเป็นตองกั่งนั่งนั่งสมาธิเพื่อให้มันไปเข้าไปในสภาวะนั้น <c oughs> ให้ให้มันเข้าไปในสภาวะนั้นบ่อยๆเวลานั่งสมาธิเพราะมันสภาวะที่ทําให้ใจเราเบาเย็นสบาย <c oughs> ไม่เครียดไม่วิดตอกกังวลไม่มีอะไรอยู่กับความว่างไป <c oughs> นั่นแหละสมาธิเนี่ยคือเป้าหมายของการเรียสมาธิอ๋อค่ะ คืออได้ยินเอคําสอนของพระอาจารย์บอกว่าเราอย่าอยากนะคะจริงๆเอสภาวะเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอทีนี้ก็เลยพอท่านอาจารย์บอกว่าไม่ไม่ออย่าพยายามอยากก็เลยไ ม, ไม่ไม่ไม่นึกอยากแต่ว่าอยากจะได้เกิดสวาวะนี้อีกก็ให้ทําให้ทําอย่าอย่าไปอยากเฉยๆอยากได้ก็ต้องทําทําวิธีที่เราทําให้มันเป็นคราวนี้แล้วเรามันทำยังไงก็ทําแบบนั้นใหม่ได้ ส่วนใหญ่ก็ต้องมีสติต้องไม่ไปยึด ไ, ไ, ไม่ไปคิดถึงเรื่องระก้าวต่างๆเมื่อถึงเยาว่างด้แต่แต่ที่ลองเท่าที่ลองทํานี่คือจะรู้สึกว่าร่างกายเราต้องรีแลกซ์ค่ะท่านอาจารย์ ค, คือไม่เกรงไม่อะไรทั้งนั้นปล่อยให้สบายแล้วมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นนะะนอกจากนั้นเราไม่เราเวลานั่งเรามีอะไรผูกใจไว้หรือเปล่าเราไม่ต้องใช้อะไรผูกใจอช่ใช่ นั่งนี่คือหมายความบริกรรมหรือเป ล, ล่าคะอ่าบริกรรมหรือดูลมหรือเปล่าเออเมื่อก่อนนี้จะจะบริกรรมคําว่าพุโทโธนะคะ<ม>ตอนหลังมันนี่ลองลองใช้อานาปนานสติดูลลมหายใจอ<ม>ก็รู้สึกว่าการดูลมหายใจนี่จะดูเหมือนจะง่ายกว่าพุโทโธเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ความคิดไปคิดค้อยคําอะไรทั้งนั้นใช่คะ่ะอืถ้าดูลมนัลงก็แสดงว่าเรามีสติมากพอ ถ้าดูลมไปเรื่อยนใจมันก็ว่างนานมันก็จะรู้สึกทุกอย่างหายไปได้ <S 2> <S 2> แต่ต้องดูลมไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งนะ <S 1> <S 1> <S มันจะติดพุทโธมานานค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทำสมาธิเริ่มจะคิดพุดโทโธตลอดต้งหลังมาออลองลองใช้อานาปานสติมีความรู้สึกว่าเบากว่าคือเราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเพราะลมหายใจนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายเราอยู่แล้วอใช่ถูกต้องพระพุทธเจ้ามาสอนให้ใช้อานาปานสติ ค่ะไปยมเคยได้ยินว่าอ๋อถ้าอาจารย์ท่านเอพระหลายลูกท่านจะใช้อันเนี้ยอันปนปานสติก็เลยว่าเออลองลองใช้มั่งอะไรเงี้ยค่ะก็ปรว่ารู้สึกเบาถ้าบางเวลาดูงงไม่ได้ก็ใช้พุทโธกลับไม่ใช้พุทโธแทนค่ะสองสองอันเนี้ยค่ะจะเป็น อ, อันที่วัดจะใช้กันบ่อยมากใค่ะสําหรับตัวเองนะคะเปลี่ยนเกียร์ใช้เกียร์เกียร์สองไม่ได้ก็กลับไปเกียร์หนึ่งอะไรเงี้ย แต่อานาปนานสติจะต้องมาก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็แล้วแต่เราวันไหนอาราก็เราก็มันมันพอใจกับอะไรก็เราก็อ่านนั้นแตถ้าได้อานาปนานสติมันก็สุดยอด น, นะมันดีที่สุดมันสบายกว่าไม่นอนเหนื่อยไม่นอนบริกรรมแล้วอพอเราอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยอันนี้คือความสงบที่พระอาจารย์เคยบอกใช่ไหมครับใช่อันนี้คือสภาวะที่มีความสุขที่ที่สมบ มอเราสุขไหมล่ะแล้วยังไม่สุขเลยเบางกเบาใจสบายใจหรือเปล่าค่ะคือตอนนั้นมีของสื่อเหมือนไม่ได้คิดอะไรอืมถ้าสมมุติว่าเป็นจะเป็นตัวเองจะทําอย่างนี้ได้ตลอดก็ต้อคิดว่าน่าจะดีแต่ว่าไม่ทราบว่าเดินทางถูกหรือเปล่านะคะเลมก็ต้องขอเรียนถามพอาจารย์ค่ะก็ทําแบบเดียวกันคราวที่แล้วคราที่แล้วทําแบบนั้นแล้วได้ผลก็เอาแบบนั้นมาทําต่ออ๋อค่ะอืยมจะได้เดินต่อ ตอนนี้น<า>ค่ะในคราวที่แล้วใช้อนาปนานสติแล้วเป็นอย่างนั้นคราวนี้ก็มาใช้อนาปนานสติเหม่ค<ช>่ะแต่อย่า <c oughs> ไม่อยากให้มันเป็นเหมือนคราวที่แล้วอย่าไม่อยากด้ผลให้อยู่กับตอนนั้นนี่ค่ะตอนตอนตอนที่เกิดสภาวะอย่างนี้เนี่ไม่ไม่ได้คิดเลยว่าอยากค่ ะ, ะ, คะใช่มันเพิ่งเกิดยแต่ว่านั่งไปนั่งไปแล้วก็มีความรู้สึกเอ้มัน มันเหมือนเราไม่ได้นั่งที่ไหนเหมือนเราเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายหายไปจากการรับรู้ใช่ไม่ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามีมือไม่รู้ว่ามีเท้าไม่รู้ว่านั่งกัดไลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สักแต่ว่ารู้เลยแต่สักแต่ว่ารู้ค่ะก็เปยเป็นอารมเดี๋ยวไอ้คักรตาลงอืมอืมค่ะลูกดีใจมากค่ะที่ที่ได้สัมผัสอารมณ์แบบนี้ใช่รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงพระเจ้าบอกค่ะ คือกําลังจะเรียนถามถ้าอาจารย์ต่อว่าเนี่ยค่ะสภาวะที่ท่านอาจารย์บอกว่าเออ่ความสุขเนื้อกัอย่างอื่นไม่มีค่ะด้วยความสงบอันนี้แหละออค่ะี่ดีใจที่ว่าตัวเองก็ยังมีโอกาสที่จะได้สัมผัสสภาวะแบบนี้เราสามารถทําไปได้เรื่อยๆครับพอได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปมันก็ง่ายทำไปบ่อยค่อแต่อย่าไปหยาดในช่วงช่วงที่เราทํำอย่าไปหยาพ้อะกัน ให้ทําแต่อย่าไปอยากให้ดูลมแต่อย่าไปอยากให้ให้เกิดผลป้าจางทั้งเวลาเรานอนเนี่ยก่อนนอนนี่เอากระชอนิพุธโทนพุธโธหรือว่าก็ไดดูลมก็ได้มันก็ได้ดูลมได้แล้วก็อย่าพยายามทำให้เกิดสภาวะนี้เวลานอนนี้เป็นไปได้หรือเปล่าคะป้าจางได้จิตก็สงบนอนหลับเร็วนอนนอนหลับเร็วค่ะแล้วก็ไม่ฝันด้วยวัใหญ่ยังไม่ฝันเนี่ยนอนหลับฝันดี ประกาบขอบพระคุณค่ะอยู่เชียงใหม่ไปไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมที่ไหนหรือเปล่าทำที่บ้านค่ะพอดีบ้านอยู่ใกล้ๆวัดสันติธรรมค่ะเป็นวัดธรรมยุท์ค่ะเราเคยไปแย้วเคาเคยเราเคยไปพักคืนหนึ่งช่วงช่วงนั้นช่วงลอยกระทงหลายปีมาแล้วอ๋อค่ะค่ะเาชือบไปค่ะ ก็ S <S> ได้ยึดถือปฏิบัติแนวธรรมยุทธ์นะคะมาตลอดกับนี้แล้วก็คือพ อ, พอได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์นี่ก็รู้สึกซับซึ้ง น, นะคะแล้วก็ออกมาปฏิบัติเสียงหลวงพ่อที่อยู่ดอยปุ้ยท่านก็ไปพักที่สันนิษฐานบ่อยเนธธเี่ย ห, หลวงพ่อไม่ทราบเอาน้ำท่านอะไรคะ่ะไม่ไม่เหมือนกันแต่ท่านอยู่บนเขาอยู่ดอยปุ้ยถ้าเป็น หลวงพ่อองค์องคเก่าวันนั้นท่านลาสังขารไปแล้วอืแต่ท่านไม่ได้อยู่ที่วัดประจําำแต่ท่านก็หมายว่าเป็นเป็นเพื่อนกับเจ้าอาวาสที่วัดอนติธรรมท่านลงมาจากลอยท่านก็จะมาพักที่ลอยปุยอลอยปุยลดยปุย่ะอยปุยที่อยู่ใกล้ๆกับภูเพิงใช่ไหมภูพิงค่ะใช่ค่ะอืม นึกชื่อท่านไม่ออกไม่ท่านท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไหมท่านท่านจะเสียชีวิตไปแล้วก็ไหนโยงโยงก็จำจำไม่ได้ค่ะท่า น, นจะสงฆ์ครอบกะเหรี่ยงท่านมาเช่าพวกเด็กกะเหรี่ยงมาบวชใ น, นกันบวชใ น, น อ, อ๋อค่ะไม่ก็ะได้ถามดูเฉยๆว่าอย่กลที่ไใใใหนก็นดี มีการสอนมีการปฏิบัตรรินะบ้เนื้อไปเนื้อไปค่ะี่ว่าสันติธรรมนี่จะมีทุกวันพระก็จะมีค่ะมีเทศแต่ว่าเราไม่ได้มีคอร์สไออบรมอะไรอย่างนี้นะคะอเแต่ว่าสมาธิไปใช่ค่ะถ้าจะเอาว่าท่านก็จะให้ศีลให้หรพออรเลยเสร็จท่านก็จะหให้นั่งสมาธิจะมีเทศทั้งกลางวันกลางคืนค่ะตอนเช้านะคะกับกลางคืนอืถ้าในช่วงพรรษานี่ก็จะมีเทศวันละสามเวลาค่ะ เชา้าบ่ายแล้วก็กลางคืนค่ะนี่ทำอินท่ไปกันดีเป็นวัดกรรมฐานนเป็นวัดปฏิบัติค่ะอ่ายโยมค่ะสายหลวงปู่มั่นโยมจะจะไปวัดอย่างนี้ตลอดทุกทกที่ค่ะในเชียงใหม่ที่จะมีเยอะมีหลายวัดค่ะแต่แต่จริงๆก็คือจะไปที่วัดสายทรรมเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านที่สุ ด, ด ถามต่อไปนะกลับนวมศักดิ์การขอบคุณค่ะผู้จัดค่ะไปที่ใครต่อนะคุณอภิสิทธิ์นะเชิญคุณอภิสิทธิ์สกลนครกล่าวนวมศักการพระอาจารย์ครับมีอะไรไหมมีเอเรื่องจะบอกพระอาจารย์นิดหนึ่งก็คือภาวนามาก็ยังไม่ค่อยจะ ก้าวหน้าเท่าไหร่ช่วงนั้นก็ติดติดยังติดอยู่ยังวางไม่ได้แต่พอก็ลองปิดลองถูกอย่างที่พระอาจารย์แนะนํำนะฮะก็ลองเ อ, อวางจิตลงไปที่คําบริกรรมพุโธพุโธก็ปรากฏว่าเ อ, อมันวางตัวที่มันเพ่งไปข้างนอกนะั่หลงไปอีกหน่อยนึ่พรอาจารย์อ mm ื hmm. มันผ่านมันผ่านอารมณ์ตัวนั้นลงมา mm hmm. อีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ขยับไปนิดหนึ่ง ยังไม่มากแต่เห็นว่ามันวางอารมณ์ตัวนั้นลงได้ครับพี่จันก็ได้อยู่ประมาณแค่นี้แหละครับพี่จันต้องดึงต้องอยู่กับพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจท่านอยู่กับพุทโธแล้วเนี่ยมันวางเองครับอยู่พุทโธแล้วอยู่กับลมนั่นเนี่ยทุกอย่างมันจะวางเองเราจะไปวางมันเฉยๆไม่ได้ต้องอาศาัยต้องอาศัยว่าสติดึงดึงออกจากมันใช้พุทโธดึงออกจากมันไป ครับครับพยายามที่จะอยู่กับคําบริกรรมพุทโธครับอา<ช>จารย<ช>์ตรงนี้ครับ<ช>ก็ทำจิตทำที่อาจารย์อยู่คำบริกรรมเดี๋ยมันก็มันก็ปล่อยวางทุกอย่างในหมดใช่ครับเห็นมันคลายลงอยู่ไหมอาจารย์แต่พอคลายลงไปแล้วจิตมันก็ฟุ่งขึ้นมาอีกก็หยุดพุโทโธ ม, ม, มันก็พุ่งเลยไม่อยอมไปหยุดพุโทโธทําต่อพุโทโธอย่าให้หายครับพุ่งมแไหวก็ไม่พุทโธนะใช่ไหมครับมันมันไม่ลงไปในคําบริกรรมพุทโธเท่านั้นนะอาจารย์ มันลง ไ, ไปอยู่แล้วมันแล้วก็ไปไปมันเคยลงไปถึงจุดที่ว่าอ่ไปเจอตัวที่จะเรียกว่าจะเรียกว่าความเศร้าหมองของจิตหรือยอะไรยังไงไม่แน่ใจอมันก็มั น, มนยังไม่ใช่ ม, มันยังไม่ใช่หมงครับน่าจะเป็นอย่างไงนะพี่จันเราไม่เป็นไรพยายามเกาะติดกับพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วกันรพยายามทำพยายามทําตัวนั้นแหละครับพี่จันพยายามทําสติให้ต่อเนื่องกับ ทำบริการผู้โทรให้ต่อเนื่องลงไปถึงมันครับโอเคอันนี้เวลาก<พ>็จะหมดแนละ้วต้องขอรับ ห, นะหน่อยนะรวบรับหน่อยวาร์เนวาร์เรนหนึ่งนาทีวาอร์เรนเปิดไม้ได้ไหมเห็นเฉยภาพ น, นี่ไปที่กรอบก่อนแร้บกรอบยุราธนานีครับพี่เปิดไม้่อนมีอะไรไหม ไม่มีครับก็ที่อาจารย์สอนก็ก็ก็เอาเอาไปคิดมันก็ไม่มีอะไรมันก็ความทุกข์มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบก็เข้าใจมันครับก็ปีนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นความทุกข์มันคือถ้ามองอาจจะเยอะแต่ว่าเ อ, อใจรู้สึกว่าเราปล่อยวางได้มากขึ้นครับถ้ามีธรรมะก็ปล่อยได้มีสติมีปัญญาก็ปล่อยได้ มั น, นจะยึดแล้วก็อแต่เห็นว่าเป็นไตลากเห็นว่าเป็นอะไรจังมันก็จะปล่อยครับมันก็มันก็ปล่อยผมคิดแล้วก็มีปัญญาที่ไปจารสอนก็เอามาเอามาพิจารณามันก็ปล่อยปล่อยได้ครับแต่ไม่มได้ขาดนระับแต่ว่าแต่ว่ามันควบคุมได้ครับอื็ดีครับโอเคท่านต่อไปนะอาจารย์มีเมตตามากครับครับโอเคอจอยมาช้ามาสายหลายันลูกๆลูกๆงอนวันแล้วแหละดีนะ ค่ะอยู่กันห้องนึงค่ะในอีกห้องนึงเราจะหนูบอกเขาจ้ะว่าอา่อตอนที่หนูเป็นคือสิบแปดอะหนูหนูหนูไม่กินข้าวเย็นอะไรเงี้ยมันไม่รู้สึกว่าหิวเลยนะคะแต่พอกลับมาบ้านมันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยะคะ่ะได้บ้านมันมีของกินเยอะนี่ใช่เลยอดไม่ได้ใช่<ต>ค่ะจริงันวันที่วันไม่มีให้กินอะอยากจะกินก็ไม่มีกินข่าวพอเข้าววานมันเป็นอัตโนมัติเลยะคะ่ะมันไม่รู้สึกว่าหิว มันรู้มันต้องอดเนี่ยมันก็เลยต้องมันก็เลยไม่หิวแต่พอกลับมาบ้านนี่มันไม่ไถ้าบ้านมันมันมันมีของกินเยอะเนี่ยตู้เย็นตู้อะไรมันอยู่ใกล้อก็เนี่ยถ้าต้องไปอยู่วัดกันไงใจถึงนี้ถ้เข้มแข็งถ้าอยู่ใกล้บ้านแล้วมันอ่อนโปรกเปียกไปหมดใช่ค่ะแต่เขาหนูอาจจะไปคนเดียวบ้างก็ได้เพราะว่าเพื่อนเขายังไม่ไม่ค่อยเก่งอขากลัวอแล้วเขาก็หิวด้วยแล้วเขาก็พาเรา พาเรากังวลไปด้วยพอเรากังวลไปด้วยอ่ะไปคนเดียวได้ดีกว่าค่ะพาเดจยวโสไปใส่บาตเหมือนเดิมโอเคเชิญคุณตายเชิญคุณตายมีอะไรไหมคุณตายข้ามากราบพระอาจารย์ก็วขาพอาจารย์ไม่มีอะไรจ้าไม่มีอะไรนะยังรักษาสีอยู่นะวันนี้มันพระรักษาอยู่ค่ะพระอาจารย์แปดเลือดห้าแปนะนะโอเคสบายนะไม่เดือดร้อนนะ ก็มีหินิดๆแต่ก็ต้องรีบขึ้นมาบ้านนะคะท้นข้างบนถ่างตู้เย็นไว้กันโอเคพยายามสู้ไม่ถอยนะความพยายามี่นันความสำเร็จอยู่ที่นั่นเจ้าค่าใรอจรย์ารอันนี้คุณจิบแต่ไม่เวลานคุณจิบทำงานอยู่แล้วแต่มาสการค่ะใช่ค่ะมโยมแบบว่ายอมแบบไม่รู้วสติขาหรือเปล่า เมื่อวานสมควรที่จะมาทํางานโยมก็นึกว่าบริษัทหยุด mm hmm. เลยแบบพอกลับมาทํางานวันนี้เห็นเพื่อนร่วม ง, งานคนหนึงบอกเออเป็นไงเขาบอกเราบอกเ ข, า ก, ขาก็ถามโยมบอกโอเคนไหมเมื่อวานไม่มาทํางานเขาอ้าวเามื่อวานบริษัทไม่ได้อยู่หรอนึกว่าชดเชวันคริสต์มาสเลย <laughs> ยมอมขำตัวเองเอา้าวโยมเป็นคนเดียวหรอที่นั่งหยุด ไม่มาทํางานทุกแต่พเดวันวันนี้มันไม่ยุ่งมากเลยค่ะเพราะว่ายอมดูรออีเมลยอมมีแค่สองสามอีเมลไม่ได้อะไรเลยแล้วไม่เกี่ยวกันกับยอมก็ยอมก็เออเอขอบคุณมากนะที่แบบว่าช่วยบอกสงสัยเพลิดเพลินกับคริสต์มาสเกินไปเลยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะอาจารย์ยอมก็จะมาบอกอาจารย์ว่าขอบคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าค้าที่เตือนสติยอมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยอมก็ไปทำอย่างที่พระอาจารย์บอกแล้วก็ทําให้ลูกมีสติมากขึ้นก็รู้สึกว่า ก็ยังดีท huh> ok mm ี่เขาคิดได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเนี้ะค่ะบางครั้งเด็กก็มีมือกิเลสมายั่วยวนอะไรบางอย่างบางทีโยมรู้ว่าลูกลูกโยมอ่ะไม่ได้เป็นเด็กที่จะแบบไปเริ่มอะไรก่อนอยู่แล้วโยมก็เลยแบบเจรินสติว่าเออมันคืออะไรนะที่เราคืออะไรในวัยเท่านี้เราควรทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ในฐานะแม่เราก็ทําให้มันดีที่สุดอค่ะ่าก็ขอบคุณพระอาจารย์นะคะวันนี้ก็คงเป็นวันพุธสุดท้าย มิ팅ของปีนี้ก็ขอบคุณพระอาจารย์มาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ได้รู้จักพระอาจารย์ชีวิตโยมก็รู้สึกว่าดําเนินไปในทางที่ถูกที่ควรมากขึ้นก็กับขอบพระคุณเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ก็อยู่กับลูกศิษย์ลูกหาไปนานแสนนานเท่าที่กายสังขารพระอาจารย์จะทําได้นะคะโยมก็ขอให้มันเป็นแบบเกินร้อยปีนะจ๊ะอย่าสาวุอยู่ได้เท่าไหร่ก็อยู่ทท่งนั้นแหละเท<ฆ>่าไหร่ก็จะให้เราอยู่ ใช่ค่ะก็ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุค่ ะ, ะไปดีคุณล้าต่อคุณล้ามีคําถามไหมกราบน้ำมศการเจ้าค่ะอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามเจ้ า, าค่ะคําถามแรกจากคุณธีรภูมิกราบน้ำมศการพระอาจารย์ครับกระผมพิจารณาเห็นทุกจากการมีร่างกายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเกิด เสื่อมดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับร่างกายจนมีความเบื่อหน่ายในชีวิตและไม่สามารถปล่อยวางสังขารร่างกายได้กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความตายทําให้จิตมีทุกข์และเศร้าหมองผมทําบุญรักษาศีลนั่งภาวนาแต่ความทุกข์ก็ยังอยู่กระผมควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อดับทุกนี้ครับเ อ, อ่าน้องพานาะให้จิตสงบ นี่แสดงว่าจิตยังไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วจิตจะไม่กลัวความเจ็บกลัวความตายนะจิตจะปล่อยวางได้ปล่อยวางสังขารร่างกายนะปัญญาอย่างเดียวโดยที่ไม่มีสมาธิมาสนับสนุนนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้รู้ว่าร่างกายต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายแต่ยังใจยังทำใจไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบ นต้ อ, องพยยามฝึกภาวนาะเยอะๆให้จิตสงบให้นิ่งเฉยแล้วพอมาพิจารณาว่างกายว่ามันเป็นของไม่เทีย่ยงใจก็จะไม่ทุกข์กับมันใจก็จะปล่อยวางได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามตอนนี้หนูอยู่ต่างประเทศคะ่ะตอนอยู่เมืองไทยปฏิบัติธรรมอย่างมากและไม่ต้องการมีแฟนแต่พอมาต่างประเทศมีวันหนึ่งป่วย และมีผู้ชายคนหนึ่งมาดูแลจึงประทับใจและตกลงเป็นแฟนกันและตั้งใจว่าจะแต่งงานกันแฟนเข้าใจหนูคะ่ะหนูต้องถือศีลแปดทุกวันพระและช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็พยายามถือศีลแปดโดยแฟนเข้าใจหนูผิดมากไหมคะถ้าหนูจะแต่งงานแต่หนูบอกแฟนว่าหนูจะไปบวชตอนอายุหกสิบ ถ้าการแต่งงานเจตนาไม่ได้เกิดจากกิเลสอย่างเดียวแต่แต่งเพราะเขาเป็นคนดีและหนูมีงานที่ใหญ่และต้องมีคนที่จริงใจเข้ามาช่วยคะ่ะขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำเจ้าคะ่ะอ๋อมันก็เป็นกิเลสเราแล้วเราให้เราไปแต่งไม่มีอะไรหรอกอย่าไปแต่งนะแต่งแล้วก็ต้องไปทุกข์กับเขาก็เมื่อกี้เขาบอกวทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง พอไปเจอแฟนเจอคนดีก็เอาใจเราหน่อยลืมไม่หมดเลยเลยว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงหรือว่า อ, อ๋อจะทําให้เราทุกข์ปัญใดวันหนึ่งออกลับไปพิจารณาตายรักใหม่ไปนะอย่าเอาเรื่องกิฟต์จอยมาเป็นเรื่องหลอกหลอกให้เราไปติดกับเนะี่ยอันนี้เป็นเรื่องเบ็ดเบ็ดไอ้เยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมันก็จะมาหลอกล่อเราให้ไปฮุกเบ็ดเขาจะฮุกเหยื่อใช่ไหมพาฮุกเหยื่อแต่ขอเบ็ดมันจะได้เกี่ยวปากเรา อเงี้ยจะทำให้เราเดดกับเขาแล้วก็ต้องไปทุกกับเขาเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมาะอยู่ <Okay. S 1> คนเดียวได้อยู่ไปเถอะแล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็จะักถือสิ่แปลกไม่ได้แล้วล่ะถือสิ่งแปลกก็มัน ก, ก็มันจะอยู่กับใครได้ถือสิ่แปลกก็มายถึงแค่อยู่คนเดียวอยืหถ้าเกิดไปแต่งงานเขาจะขอถือสิ่แปลกแล้วก็บ้านแตกสลากขาด นั้นอย่าถ้าถ้ากลับถอยหลังกลับได้กลับเถิดกลับรถได้รีบกลับเถิดอย่าไปหลงคาหลงของกิเลสที่มันหลอกเรากล่อมใจเราคำถามสุดท้ายเจ้าคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมรสการพระอาจารย์ค่ะมีคนบอกว่าตอนนี้เขาไม่เชื่อสักอย่างในโลกปัจจุบันอยากตายไม่ตายสักทีเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลก บางวันมีกินบ้างบางวันไม่มีกินอยู่ก็ทุกข์ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านคนเดียวดิฉันอยากให้พระอาจารย์เมตตาแนะนําแนวทางให้เขากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะให้เขาฝึกสตินั่งสมาธิให้เขาใจาสงบให้ใจมีความสุขแล้วความเบื่อโลกความอยากตายมันก็จะหายเอง <คำ S 1> โอเค<า>นะหมดแล้วนะโอเคเวลาก็หมดพอดีเกินมาหน่อย